มีใครอยากจะถามอะไรไหมใครอยากจะฟังเรื่องอะไรบ้างไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะพูดทุกวันอืมที่จะสงสัยครับอาจารย์อัปปนาสมาธิเนี่ยต้องเข้าไปเป็นลําดับคณิกาอุปจาระรับอัปปนาหรือว่าเข้าอัปปนาได้เลยครับอาจารย์อ๋อคณิกากับอุปจาระนี่มันเป็นอันเดียวกันเอ่อเทีงต่างแล้วว่า สั้นหรือยาวถ้าเข้าไปอยู่สั้นก็เรียกคันิกะถ้าเข้าไปอยู่ยาวก็เรียกอัปปนาแล้วอุปจาระ น, ะนี่มันมาทีหลังอัปปนาไม่ใช่มาก่อนโดยสมมติเราเข้าไปในอัปปนาหรือคัิกาแล้ ว, ลวมันออกไปรับรู้เรื่องต่างๆในโลกทิพย์เนี่ยไปรับรู้รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กายทิพย์เลย ก็จะเรียกว่าอยู่ในอุปจารสมาธิพวกที่เขาสามารถอ่านความคิดของเราได้เนี่ยพวกนี้เขาก็อยู่ในอุปจารสมาธิกำลังคิดอะไรอยู่ยอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านอ่านได้ลูกสิเวลาไปอยู่กับท่านเขากลัวท่านมากพวกนี้ท่านจะส่งกระแสจิตมาจับดูว่าตอนนี้กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ บางทีเวลาเทศนี่บางทีท่านก็จับนะว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ฟังเทศฟังธรรมนี่แต่เวลาท่านเทศท่านบอกว่าท่านท่านต้องอาศัยลูกศิษย์พระอีกรูปหนึ่งที่สามารถอ่านความคิดคนอื่นได้ให้คอยเฝ้าดูว่าพระรูปไหนจาไม่ตั้งใจฟังไม่คิดเรื่องอื่นหรือเปล่านี่มัน ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิคือสมาธิที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเสียงทิปลูปทิปกลิ่นทิปอของพวกกายทิปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนตายเวลาเขาตายเขาจะมาติดต่อกับเราก็ต้องมาติดต่อผ่านทางอุปจาระสมาธิเทวดาเทพลมด้วยไหอ่าเหมือนกันหมดนะ เป็นเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายแล้เราก็เรียกว่าเป็นเทพเป็นพรมเป็นอะไรไปแล้วแต่ฐานะของจของดวงวิญญาณนั้นถ้าดวงวิญญาณนั้นอยู่ในฌานก็เรียกว่าพรหมถ้าดวงวิญญาณนั้นอยู่ในอยู่ในภาวะของบุญก็เรียกว่าเทพ ถ้าดวงวิญญาณ น, นั้นอยู่ในภาวะของบาปก็เรียกว่าเปรตของอสุรกายหรือนรกเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันแตเป็นดวงวิญญาณที่มีความรุ่มร้อนด้วยบาปพวกที่เป็นนรกในสัตว์นรกในรุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาท ก, ก่อเตียเครียด mm hmm. แค้นจะสังเกตดูใจของเรา ถ้าเราสังเกตในใจของเราแต่ละวันนี่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันใครมาทําให้เราโกรธนี่เราก็เครียดแค้นอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาใจของเราประนั้นเป็นนรกขึ้นมาแ ล, แล้วอีกเวลาหนึ่งเราไปทําบุญนี่ทําบุญแลเรามีความสุขใจอิ่นใจอันนั้นก็เป็นเป็นสวรรค์เป็นเทพขึ้นมา ถ้าเป็นปกติไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทำบาป ก, ก็เป็นมนุษย์อย่างตอนนี้เราเมื่ทถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปใจเราก็จะเฉยๆไม่เย็ยนไม่ร้อนเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้าเข้าไปนั่งในสมาธิจิตนิ่งสงบเป็นอัปปนาสมาธิก็ไปเป็นพรหมปเป็นพรหมอันนี้เป็น เรืสถานภาพของใจของใจที่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามบุญตามบาปตามการกระทําต่างๆที่เราทํากันอยู่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและเหตุที่ทําให้ใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็มีหลายเหตุเหตุภายนอกบางทีคนขับรถปาดหน้า มันก็กลายเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วไอ้หาไว้ด่าอรุษสว่านเหมือนหมาเห่าเะอาจารย์ครับหมายความว่าทุกอารมณ์สมมุติว่าวันนี้เราโกรธสามครั้งนั่นคือสามพบภูมิแล้วับไม่สามกสามครั้งนแล้วแต่ถ้าโกรธโกรธก็สามบาปเข่าใไหมใช่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไลแต่มันเป็นพบภูมิแบบชั่วเท้า ครับเดียวแล้วมันจะแล้วมันจะส่งผลตอนไหนเราจะวันที่เราโกรธแล้วมันมันก็เข้าไปบัญชี ต, ตามของการบัญชีอันไหนเยอะกว่ากันก็มาก่อ น, นอ่าใช่เวลาตายอันไหนมีแรงมากกว่าก็ไปเป็นอย่างนั้นก่อน อ, อย่างสมมุติองคุดิมาเนี่ยทำบาปฆ่าคนต้องการ้อเก้าสิบเก้าคนบัญชีบาปก็เยอะนะแล้วพอดีมาเจอพระพุทธเจ้า เขาจะอาสอนให้เป็นพระอรหันได้บุญของการเป็นพระอรหันนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าบาป ท, ที่เกิดจากการฆ่าตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดพอไปเป็นพระอรหันไปนิพพานก็เลยไม่ต้องมามารับผลบาป ท, ที่ฆ่าคนไม่เก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนสมมติว่าถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ย พอตายเนี่ยมันไปเลยเก้าว้ายกับสิบเก้าศนี่มันบาปหนักใช่ไหมแต่อพอดีมาเจอพระพุทธเจ้าพระพเจ้าสอนจะทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภโกรธหลงได้หมดบาปนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะมาส่งผลให้กับใจที่สะอาดบริสุทธิ์ได้ในทางตรงกันข้ามพระเทวทัตเนี่ยก็เป็น เป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายแล้วมีศรัทธาออกบวชแล้วมาบวชแล้วก็ปฏิบัติก็ได้อุปจารสมาธิได้มีความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทราบไม่ได้ไม่ได้ศึกษารายละเอียดแล้วบวชได้นานหลายหลายสิบปีนะแต่นีตอนช่วงที่พระพุทธเจ้าแก่เนี่ยก็เกิดกิเลส ข, ขึ้นมา ว่าอุปจจารสมาธินี้มันไม่ได้ไปทำให้ใจเป็นอุเบกขานะมันไม่ได้ทาให้ใจไม่มีความรักชังกลัวหลงใจยังมีความรักชังกลัวหลงอยู่แล้วก็หลงคิดว่าตนเองวิเศษมีควนวิเศษมีความสามารถมีอภิน ญ, ญาก็เลยเห็นว่าพุทธเจ้าแก่แล้วเกิดกิเลส อ, อยากเป็นใหญ่ ก็เลยไปขอพระพุทธเจ้าให้แต่งตั้งให้เป็นเป็นผู้ผ ด, ดูแลพระสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเพรา ะ, อะตอนนี้พระพุทธเจ้าแก่แล้วทําอะไรไม่ไหวแล้วให้ผมดูแลผมจะช่วยดูแลให้พระพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของกเกลียดอันก็เลยพูดประชดมั้งพูดว่าเธอเป็นใครเอนาสาลีบุตรกับอังกับโมคคลานะอคคาราาโมซ้ายขวา เรายังไม่ได้ตั้งให้เขาเป็นเลยแล้วเธอเป็นอะไรพอพูดกันนี้ก็เสียใจแล้วก็โกรธโกรธก็เลยอาฆาตใจแล้วคิดไปทางบาปแล้วอาฆาตพยาบามใจเริ่มเป็นนรกมาแล้วก็เลยไปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งครั้งแรกก็จ้างวานให้คนไปฆ่าก็ไม่สำเร็จ ก็เลยครั้งที่สองก็ขึ้นไปรออยู่บนภูเขารอเวลาพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็กิ่งเห็นลงมาเพื่อจะให้ทัาพระพุทธเจ้าก็ไม่โดนเพียงแต่มีมีสะเก็ดหินทาให้ห่อเลือดแล้วก็ไม่ได้เลยครั้งที่สามก็เลยไปปล่อยช้างให้มาเหยียบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็แผ่เมตตาให้ช้าง ทางก็ไม่ทําอะไรเนี่ยการกระทําแบบนี้ถ้าเรียกว่าเป็นอนันตรฤยกรรมเป็นกรรมหนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาระอรหันต์ถึงแม้ไม่ได้ทําให้พระพุทธเจ้าตายเพียงแต่ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมหนักพอเวลาตายไปก็เลยบุญที่ได้ทํามาบวชเป็นพระมาตั้งยี่สิบห้าปี นี้ไม่หมดแต่เพียงแต้วาน้ำหนักเข้าความแรงมันสู้บาปที่ทำไม่ได้ก็เลยต้องไปใช้บาปต่อในในนรกจนกว่าบาปนั้นหมดกำลังแล้วบุญที่ได้ทำว่้เป็นพระก็จะส่งให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชใหม่แล้วก็มาเป็นพระพระเจากับพุทธเจ้าต่อไปในเรื่องของ บ, บุญของบาปมันไม่หมดมันอยู่ที่ว่า อันไหนมันมีกำลังมากกว่าการมันก็มันก็ส่งผลก่อนไอตัวที่มีกำลังอ่อนกว่าก็ต้องรอให้ตัวที่มีกำลังมากกว่าส่งผลก่อนเหมือนดวงอาทิตย์กับดวงดาวเห็นไหมถ้าพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมานี้ดวงดาวมองไม่เห็นเลยฮนะแต่พอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บมืดแล้วดวงดาวก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้หายไปไหนบุญกับบาป ท, ที่เราทาไว้ก็เป็นอย่างนี้ ถ้าตัวไหนมันแรงกว่าตัวอื่นเนี่ยมันจ ะ, จะส่งผลก่อนแล้วตัวที่อ่อนกว่ามันก็ต้องรอให้ตัวตัวที่แรงกว่านั้นมันหมดแรงไปก่อนแล้วตัวที่อ่อนกว่ามันก็จะส่งผลต่อไปอนี่ก็คือเรื่องของบุญของบาป ท, ที่เราทํากันในแต่ละวันเราทำปั๊บมันก็เป็นนั่นนั่นชั่วข่าวอย่วันนี้มาทําบุญนี้เป็นเทวดาชั่วข่าวแ่ะเทวดาก็มีหลายชั้น ทำมากก็ได้ชั้นสูงทำน้อยก็ได้ชั้นต่าเหมือนกับโรงแรมหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวโรงแรมห้าดาวมันก็บริการดีกว่าโรงแรมหนึ่งดาวใช่อาหารการกินอะไรทุกอย่างมันต่างกันคนที่ทำบุญน้อยความสุขก็น้อยกับคนที่ทำบุญมากอันนี้ก็เลยทำให้เราเป็นเทวดาขั้นต่างๆสมมติเราทวันนี้เราก็เป็นเทวดา หนึ่งวันมันก็เก็บไว้ในบัญชีเทวดาพรุ่งนี้เราไปยิงนกตกปลามันก็จะเอาเราเข้าไปเก็บไว้ในบัญชีบาปหนึ่งวันใทุกครั้งที่เราทำบุญทาบาปมันก็จะเข้าบัญชีเข้าบัญชีของแต่ละบัญชีไว้แล้วพอเวลาเราตายบัญชีเหล่านี้อันไหนมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปก่อนส่งผลก่อนอม อย่างองคุริมาณฆ่าคน999แต่พอมาเป็นผ้าอรหานบุญที่เกิดจากการเป็นผ้าอรหานนี่มันมีกำลังมากกว่าบาทที่ทำไว้ถึงฆ่าคนถึง999คนแ ต, แต่พระเทวทัตนี่ไปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าสามครั้งบาทนี้หนักกว่าบุญที่ได้จาก มีอภิญยาบุญที่ได้จากการมารักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นพระอยู่มีบุญอยู่แต่บาปมันมีกำลังมากกว่าก็เลยต้องไปใช้กรรมก่อนพอพ้นจากกรรมนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะมาบาเพินบุญต่อมาบวชต่อมาปฏิบัติธรรมทีนี้เห็นโทษของอภิญญาแล้วจะไม่ไปยุ่งกับอภิญญาแล้ว อภิญญาทำให้หลงทำให้หลงอำนาจหลงความสามารถของตนแล้วทำให้เกิดความโลภมักใหญ่ฝ่ายสูงขึ้นมาแล้วก็จะไปทำบาปคนเราส่วนใหญ่เวลามีความมักใหญ่ฝ่ายสูงนี้ถ้ามันทำด้วยการที่ไม่ได้ทำบาปไม่ได้มันก็ต้องไปทำด้วยวิธีทำบาปอันนี้แต่ ข, าขา่าวนี้ข่าวน้ำ พระเทวทัตเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาพ้นจากอบายแล้วก็จะมาบวชใหม่แล้วก็จะเป็นพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าต่อไปทั้งทั้งทั้งองคุลิมายกับกับพระเทว ท, ทัตที่ที่ต่างกันนี่คือสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าใช่ใช่สัมมาทิฏฐิวามเห็นว่าการกระทําแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกก่ <c oughs> คนที่ไปมีการเห็นผิด ก็จะไปทำผิดคนที่เห็นถูกก็จะไม่ไปทำผิดเช่นเห็นเรารู้ว่าผิดกฎหมายเราจะไปทํารเปล่าเพราะถ้าเราทำเราก็จะต้องไปติดคุกติดตารางแต่คนที่ไม่รู้เขาก็ทำเขาคิดว่าไม่ผิดหรือเขาว่าผิดแต่เขาหลบได้ไ ม, มไม่ได้เพราะมันตามมาตลอดตามมันก็ตามมาตลอด ก, ก, ก็บางทีก็หลบได้ สำหรับทางกฎหมายทางโลกบางทีก็หลบได้ <Yeah. S 1> ใมที่เราเห็นเห็นกัน <Yeah. S 1> แต่ทางกฎแห่งกรรมมันหลบไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะถึงเวลาแล้วมันเป็นอัตโนมัติ <Yeah. S 1> บัญชีกฎแห่งกรรมนี่มันบัญชีอัตโนมัติมันต้องมันไม่มีใครมาคอยเก็บบัญ ช, ญชีไม่มีใครมาตามจับเรา <Yeah. S 1> มันเป็นหลักสากล <Yeah. S 1> เป็นเหมือนกับพลังที่ทำให้ <Yeah. S 1> อ่ามจาก ต้ไม้หนอนลงมากับพื้นเนี่ยมันเป็นพลังของธรรมชาติที่ไม่มีใครมาคอยดึงส่มให้ลงมามันลงมาโดยพลังของธรรมชาติกฎแห่งกรรมก็เป็นพลังธรรมชาติทางดวงวิญญาณทางด้านจิตใจทำบาปมันก็จะดึงลงไปอาบายทำบุญมันก็จะดึงขึ้นไปสวรรค์ที่เราจะทำบุญทำบาปนี้ ก็อาศัยอยู่ที่ว่าเรามีสัมมาทิฏฐิลิมพิชฌาทิฏฐิในเวลาเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิจึงพยายามสอนให้ลูกมีสัมมาทิฏฐิสอนให้ลูกเชื่อบุญเชื่อบาปอย่าไปทําบุญอย่าไปทําบาปให้ทําแต่บุญแต่ถ้าไม่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาก็ไม่สอนเขาก็ปล่อยให้ลูกทําบาปทําอะไรว่าตัวเพราะตัวพ่อแม่ก็ทําบาปเอง พ่อแม่กินเล่าเล่นการพรานันยิงนกตกปลามีอาชีพ อ, อย่างชาวประมงอย่างเงี้ยเขาก็จับปงจับปลาแล้วเขาก็ดืมเล่ากันแล้วเขาก็เล่นการพรานันกนันก็เป็นเพราะว่าไม่มีใครสั่งคอยสอนอย่างพวกเราถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็ไม่เชื่ออย่างเมื่อวานนี้มีคนมันถามว่าจะทำไง จะบอกให้คนเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์มันก็มันก็ได้แต่บอกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เขาก็ต้องอยู่ที่ความคิดของเขาทํำไมคนบางคนฟังแล้วเชื่อทําไมคนบางคนฟังแล้วไม่เชื่อก็ไม่รู้เหมือนกัน พระอาจารย์ครับทำไมทําไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราไม่เห็นกรรมใดที่หนักไปกว่ากรรมที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิกรรมที่มิจฉาทิฏฐิมันก็จะทําให้เราไปทําบาปอยู่เรื่อยถ้าเราไม่มีมิจฉาทิฏฐิเราก็จะไม่ทําบาปคนที่ไม่เชื่อบาปเพราะว่าบาปทาไปแล้วไม่มีผลตามมาตายแล้วสูญนี่ใช่ไหมตายแล้วจะไปไหนละ่ะ มันคิดเพราะเขาเห็นแต่ร่างกายใช่ไหมเห็นว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วใครไปรับผลบาปาะเราคิดว่าร่างกายคือเราคือคนผู้ทําผู้กระทาบาปถ้าจะถ้าจะรับผลบาปก็ปเฉพาะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อไปติดคุกติดตารางอถ้าเขาจับได้แต่ถ้าเขาจับไม่ได้ก็ไม่ต้องติดอีกนั้นเขาก็เลยไม่กลัวบาปล้วตายไปเขาก็ คนทําบุญกับคนทํำบาปตายไปก็ผลเท่ากันที่ร่างกายผลเท่ากันไปที่เมนเอาไปเผากลายเป็นที่เท่าเหมือนกันแล้วแล้วใครไปรับผลบุญใครเปรับผลบาปอันนี้ไม่มีเพราะเขามาเห็นแต่ร่างกายเท่านั้นเองเขาไม่รู้ว่านอกจากร่างกายยังมีใจใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ที่ก็เรียกอะไร ชักชักหุ่นหุ่นเวลาเขาเขามีหุ่นใครเห็นลครหุ่นไหมหุ่นนี่มันจะมีคนคอยชักอยู่เห็นไหมมีเชือกมีอะไรคอยดึงแขนดึงขาให้ทําท่าทําทางต่างๆอันนั้นน่ะร่างกายเราเนี่ยเป็นเหมือนหุ่นแล้วมีผู้มาชักใหญ่ร่างกายนี้อีกทีนึง่งผู้ที่ชักใหญ่ร่างกายนี้ก็คือใจใจผู้รู้เนี่ย ที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยผู้ที่รู้นี่ไม่ใช่ร่างกายในร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนที่รู้รู้เสียงก็ได้นะมันรับเสียงแต่มันไม่รู้เสียงว่าเสียงที่มันได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรมีความหมายอะไรผู้ที่รู้เสียงเนี่ยคือใจแล้วผู้ที่สั่งให้ร่างกายพูดกลับมาเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยก็คือใจพอรู้เสียงที่ได้ยินว่าเขาถามว่าไปไหน ใจรู้แล้วใจก็สั่งให้ร่างกายตอบกลับไปว่าไปนู่นมานี่อะไรนย่น น, นี่คือการติดต่อของใจผ่านทางร่างกายร่างกายของเรากำลังพูดเข้าหาร่างกายของคุณแล้วร่างกายของคุณก็รับเสียงแล้วก็ส่งไปให้ใจอีกทีใจพูดที่ชักใหญ่ร่างกายก็จะสั่งให้ร่างกายพูดหรือสั่งให้ร่างกายทาอะไรทีหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เราจะเราเรามองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าเห็นใครปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดี๋ยวก็จะเห็นพ่าเวลานั่งสมาธิแล้วใจกับร่างกายมันจะแยกออกจากกันตอนที่บอกเป็นอปปนาสมาธิร่างกายหายไปแต่ใจไม่หายตัวรู้ยังอยู่มันก็เลยรู้ว่าไอ้ตัวรู้กับร่างกายเนี่เป็นคนละตัวกันไอ้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทําอะไร แต่ตอนนี้ตอนที่มันสงบมันก็ไม่ได้สั่งร่างกายก็นั่งอยู่เฉยๆใจก็นิ่งสงบสักแต่ว่ารู้อันนี้ก็เป็นวิธีทําให้เราเข้าใจแล้วว่าผู้ที่จะไปรับบุญมากบาปนี้คือใครแล้วมันผู้ที่รับบุญรับบาปนี้ไม่ได้เป็นเป็นสถานที่เขาจะนะมันเป็นสภาพของจิตใจของเรานั่นแหละพอจิตใจเราร้อนขึ้นมามันก็เป็นอบายขึ้นมาแล้ว พอจิตใจเราเย็นมันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาเราวัดความเย็นความร้อนเนี่ยเป็นตัววัดสวรรค์ตัววัดอบายถ้ามันไม่เย็นไม่ร้อนก็อยู่ตรงกลางก็เป็นมนุษย์นี่ใจมนุษย์นี่มันจะมันจ ะ, จ, ะจะเป็นกลางกลางเพราะตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆนี้เรานี่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ตอนที่เป็นเด็กที่ข้อมาจากท้องแม่ตอนนั้นยังทำบุญไม่ได้ยังทำบาปไม่ได้ ใ่ก็เลยเป็นมน um ุษย์อยู yeah. ่เพราะาจจะมาเป็นมนุษย์ได้บุญกับบาปมันต้องเท่ากันนะบุญไม่มากกว่าบาปไม่มากกว่าถ้าบาปมากกว่าก็ยังมาไม่ได้ถ้าบุญมากกว่าก็ยังมาไม่ได้พอบุญกับบาปมันเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่สวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้อยู่อบายได้มันก็มาเป็นมนุษย์เพราะเพราะพราะทอดออมาจากเท่าแม่ก็เป็นมนุษย์ ใหม่ๆตอนเด็กๆก็เป็นมนุษย์เพราะยังไม่ได้ทำบุญทำบาปพอเริ่มโตขึ้นหน่อยพอทำนู่นทำนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็เริ่มทำบาปแล้วเป็นเด็กก็อาจจะเห็นหมดก็อาจจะไปเล่นกับมันแล้วก็ไปทุกไปตีมันนะอันนี้ก็เริ่มทำบาปโดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วพ่อแม่ม ก, ก็เลยต้องคอยสั่งสอนพอลูกโตขึ้นมาแล้วพอเห็นลูกไปทำบาป ก, ก็ต้องห้ามทำอย่างนี้ไม่ได้ บางทีไปขโมยหยิบของของคนอื่นบางทีก็ไปไปทําอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนี่ก็ต้องสอนอนะว่านี่ไม่ดีทําไม่ดีอันนี้แหละพอเราเริ่มโตจากโ ต, ต, ตขึ้นมานี้เราก็จะเริ่มะถึงแม้ถูกสั่งถูกสอนบางทีก็ยังทําบากปกันอยู่เรียนหนังสื อ, อยังคัดลอกการบ้านของเพื่อนอยู่อันนี้ก็บาปนะ ขโมยลนะขโมยคุยชาวความรู้ละหรือเวลาสอบนี่มีข้อสอบเอม่นต้องดูหนังสือแไปขโมยข้อสอบมาแล้วก็มาท่องกันท่องคําตอบนี้อันนี้ก็เริ่มทําบาปกันลนะแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆบาปมันก็มีร้อนความร้อนน้อยมากน้อยต่างกันนะพระเดรัจฉานมันก็ไม่ร้อนมันร้อนน้อยกว่าเปร มันร้อนน้อยกว่าสุนทรกายสุนทรกายมันร้อนน้อยกว่านาลกความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นไปเดราชานี่ทํำบาปเพราะว่าทําไปโดยความจําเป็นเช่นเอาเพื่อเพื่อดำรงชีพเนี่ยพวกสัตว์เดราชะนี่เขากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อให้เขาอยู่ได้เขาไม่กินแบบมู ม, มางคือเขาไม่แบบกินแบบฆ่าแบบหลายๆตัวแล้วมาเก็บสะสมไว้ ถ้าทาแบบนั้นมันเป็นเปรตนะทำด้วยความโลภแต่ทำด้วยความจำเป็นพอยังชีพอย่างนี้ก็เป็นเดรัจฉานแต่ทำด้วยความโลภก็เป็นเปรตถ้าทำด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกายถ้าทำด้วยความอาฆาตพยาบามก็เป็นนรกเวลาเราโกรธเกลียดอาฆาตพยาบามนี้ใจเราร้อนไหมน้อยกว่า การที่เราไปทำบาปเพราะเราไม่มีข้าวกินต่างกันนะเราไปขโมยกินนี่มันมันไม่ร้อนเหมือนกับเวลาที่เราไปไปฆ่าคนอื่นเพราะเราโกรธเกลียดเขาหรือไปทำลายทรัพย์สินเขาไปทำลายสินข้าวข้าวของเงินทองของเขาเวลาเราโกรธนี่มันจะร้อนที่สุดนะเวลากลัวค่อยลองลงมาแล้วเวลาโลภ ก, ก็เบาหน่อยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ตัวหลงไม่รู้ ใจเรามันมีสีตัวนี้อยู่รักชังกลัวหลงอยู่เนี่ยที่ทำทาเราต้องไปทำทำพฤติกรรมที่เป็นบาปได้เวลาเรารักนี่เราก็ไปขมโมยของโลภอยากได้เวลาชังเราก็ไปฆ่าเขาเวลากลัวเราก็ไปทำฆ่าเขาเพื่อป้องกันแม่เขามาฆ่าเราก่อนเวลาหลงก็คือ ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำบาปทำเราคิดว่าเราทำเพื่อเพื่อรักษาชีวิตเราอย่างพวกที่คนคนที่ทำอาชีพที่ฆ่าฆ่าสัตว์เนี่ยทำด้วยความหลงแม้แต่ตำรวจทหารนี่ก็ก็หลงเหมือนกันเพราะว่าเขาคิดว่าเขาทำหน้าตามหน้าที่ของเขาทางกฎหมายไม่ผิดใช่ไหมกฎหมายก็อนุญาตถ้าไป จับผู้ร้ายผู้ร้ายต่อสู้ก็ฆ่าได้แต่กฎแห่งกรรมไม่มีไม่มีข้อยกเว้นไปฆ่าเขาก็ผิดแต่ว่ามันมีบาปมันน้อยกว่าฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบามฆ่าฆ่าเพราะเป็นหน้าที่ทําตามหน้าที่ชาวประมงก็ฆ่าตามหน้าที่เขาเป็นชาวประมงเขาต้องฆ่าเพื่อที่เขาจะได้เอามาเลี้ยงชีพ่คนที่อ ทำงานที่ลงค่าสัตว์ก็ต้องค่าไปเพราะเป็นหน้าที่ของเขาเอารับจ้างค่าไปพวกนี้ก็ทําบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเขาคิดว่าเป็นอาชีพเป็นการเลี้ยงชีพก็เป็นเหมือนพวกเดราาัจฉานนะเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้บาปรือ ไ, ไม่บาปกูหิวกูก็ต้องกินอ่ะต้องหาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องเลี้ยงอาชีพอย่างนี้เขาเรียกว่าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยตัวนี้ ทำไปแล้วก็มันก็จะาําให้ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทาด้วยด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทาด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายทําด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกอาจารย์ครับแล้วเดรัจฉานเนี่ยกรณีไปกัดคนอื่นเป็นบาปอีกไหมครับตัวไม่รู้ก็ออจะเป็นบาปบาป<ห>บาป พราะเป็นกลัวไงบางทีมันทําร้ายผู้อื่นด้วยความกลัวแต่บาปถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่บาปต้องต้องฆ่าแต่ก็เป็นบาปน้อยบาปเบาหน่อยถ้ายังไม่ตายโทษยังไม่หนักเราบางทีก็ไปเตีบยุงเพราะกลัวมันมากัดเราเนีเวลามันมาเกาะเราปับป๊บป๊อเลยเนี่ยฮเนี่ยฆ่าด้วยความกลัวกลัวเดี๋ยวจะเป็นโรคกลัวเดี๋ยวจะเอาเชื้อโรคมาให้อย่างนี้ หรือกลัวเพราะว่ามันจะมาทําให้เราไม่สบายอย่างมดขึ้นบ้านอย่างเงี้ยทาให้เราต้องราคาญต้องอะไรเราก็เลยกําจัดมันนี่ก็เหมือนกับทําด้วยความกลัวและทําด้วยความเกลียดก็ได้เกี่ยวกับการฆ่าครับพอดีมีคําถามเกี่ยวกับการฆ่ามาเลยถามเฉยครับเป็นนักเรียนแพทย์ต้องฆ่าสัตว์เพื่อใช้ทดลองจะ ต, ต้องใช้กรรมมากน้อยขนาดไหนเจ้าคะก็เหมือนกับพวกนี้ก็เป็นเหมือนเดรัชานี่ย ทำไปเพราะด้วยความจำเป็นทำเพราะว่าจะต้องมีอาชีพเรียนแทย์เพื่อจะได้มีอาชีพเพื่อจะได้มีมีเงินไปซื้ออาหารมากินก็เหมือนกับเดราชา น, นเดราาัจฉานก็ต้องฆ่าเพื่อจะได้มีอาหารกินก็เหมือนกันถ้าค่าไม่ไม่ขีดตัวก็ก็ไม่มากก็ <c oughs> ตายไปอาจจะกไปไปเกิดเป็นสัตว์ที่เราฆ่า ข่าสามตัวก็ไปเกิดสามครั้งแล้วกันให้คิดอย่าง่ายๆข่าร้อยตัวก็ไปเกิดร้อยครั้งข่าพันตัวก็ไปเกิดพันครั้งเือนให้เขาฆ่ า, าใช่ไหมผู้ปฏิบัติธรรมะในส่วนครับอาจารย์เป็นเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เป็นอาจารย์เนี้ยเขาบอกฆ่า ข้ากดมาเป็นหมื่นๆตัวแล้วเพื่อทดลองก็ไม่ถึงหมื่นหรอกมั้งไม่ครับเป็นเป็นอาจารย์ครับแล้วเาก็ต้องสอนเขาว่าเป็นหมื่นเลยครับอาจารย์ตั้งแต่ตอนที่เขายุก็จะเจ็สิบอยู่แล้วก็ข้างมาานเลวก็คงยังต้องไปเป็นกบมบอกว่าไปต้องหยุดแล้วนะแล้วไปนัไม่ได้รีไปนิพพานนจะได้เงไปเมก่เหมือนองคุลิมาถ้าไปอย่างน้อยไม่ต้องไปนิพพานก็ได้ไปเป็นโสดาบันก็พอ ถ้าสวดามันก็ไปปิดประตูอบายได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นไปไม่ต้องไปอบายแล้วแต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องมาเจอเหตุการณ์ให้เขาฆ่ากันแหะเพราะฆ่าเข้ามาขณะพระอรหันยังถูกเขาฆ่าได้พระโมกคานะจะไม่ถูกฆ่าก็ต่อเมื่อไม่มาเกิดเท่านั้นอย่างอมคุลีมานี้ไม่ถูกฆ่าแนละไม่กลับมาเกิดฆ่าคนอื่นต้อง9ก้า้อยเ้าสบเ้าคน ต, ตัวเองไม่ต้องกลับมาถูกเข้าฆ่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้งเพราะเขาไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแต่โมื่อพระเมนะื่อขณะนี้เป็นพระอรหันแต่ยังไม่ได้ยังไม่ตายกรรมยังตามมาทันอยู่ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็เลยต้องรับกรรมมาเลงไปแต่ถ้าตายไปแล้วทีนี้ไม่กลับมาเกิดแล้วกรรมที่ไปฆ่าคนอื่นก็ที่กรรมที่อย่างอื่นที่เคยทําไว้ก็หมดไป ไม่สามารถตามตามไปได้นะเพราะเมื่อไม่มาเกิดแล้วก็มัน ม, มันไม่มียิ่งสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเรื่องจิตตวิญญาณนี่จะจะไม่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้ <c oughs> เพราะเขามองไม่เห็นะส่วนใหญ่พวกนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ไม่เชื่อหรอกก็ เ, เชื่อพวกพวกที่เป็นเขาเรียกนับถือศาสนานี้เป็นพวกกลมกลายนะเพราะ มันไม่มีอะไรให้เขาพิสูจน์ได้เหมือนกับวิทยาศาสตร์นีวิทยาศาสตร์ก็มีกล้องจุลทรรศน์เขา เ, เชื่อโลกมองไม่เห็นแต่พอมีกล้องจุลทรรศน์เขาก็มองเห็นเชื่อโลกได้อะไรต่างๆ เ, ย เ, ยย เ, เ, งเงลยก็เพราะว่าไอน์สไตน์เขาศึกษาเรื่องของธรรมชาติต่างๆ แล้วเขารู้สึกว่ามันยังขาดอะไรอย่างหนึง่งคือก็เรื่องจิตตวิญญาณเนี่ยที่ที่มันทำให้เขายัางไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์พอเราพอแล้วถ้าไปเห็นเรื่องจิตวิญญาณคราวนี้เขาจะเข้าใจทันทีมันเป็นเพราะว่าเขาเขาไม่ได้นั่งสมาธิไหมครับอาจารย์เพราะการนั่งสมาธิมันคือการชอบไปถึงธรรมชาติจริงๆคือ เขาอาจจะมีสมาธิอยู่บ้างพวกนี้คนที่เป็นหัวทางปัญญานี่มันจะต้องมีสมาธิเพียงแต่ว่าสมาธิเขายังไม่เป็นสมาธิแบบแยกกายแยกใจออกจากกันแต่คือคนแต่ละค น, ม, นมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่เขาสะสมมาในอดี ต, ตชาติมันจึงไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ ก็ค th <lly> ิดว่าเขาคงจะมีสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งที่ทำให้เขาเชื่อพอเขาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เชื่อแต่มันก็แล้วแต่คนบางคนอ่านแล้วก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่เชื่อ วิธีกวดน้ำก็คือหนึ่งไม่ต้องใช้น้ำคือน้ำนี่เป็นของที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างของใจของของน้ำใจที่เรากวดนี่ไม่ใช่กวดน้ำเรากวดน้ำใจน้ำใจก็คือบุญเนี่ยบุญที่เราทานี้มันเป็นเป็นน้าใจที่เราสามารถส่งไปให้กับดวงวิญญาณได้ เวลาเราทำบุญนี้เราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเราสามารถส่งความสุขใจอิ่มใจนี้ไปให้กับดวงวิญญาณได้ดวงวิญญาณนี้เวลาที่เขาอยู่เวลาเขามีร่างกายเขาก็ใช้อาหารใช้ปัจจัยสี่เป็นเครื่องอยู่แต่พอเขาไม่มีร่างกายเขาก็ต้องใช้บุญเป็นเครื่องอยู่ทีนี้เวลาเวลาที่เขาเป็นมนุษย์อยู่นี้เขาอาจจะไม่เชื่อบุญเชื่อบา เขาก็เลยไม่ได้ทำบุญ <c oughs> ทําแต่บาป พ, พอตายไปเขาก็เลยไปเป็นเปรตเปรตก็คือผู้ที่มีความหิวโหยเพราะไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องอาศัยบุญที่เราทำไแล้วก็อุทิศไปวิธีอุทิศก็พอเราทําเสร็จปั๊บเรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็บอกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไปบอกขออุทิศบุญส่วนนี้ให้แกบุ๊ก บุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้ากำลังรอรับผลบุญอันนี้อยู่ก็ขอเชิญมารับไปได้โดยที่ไม่ต้องมาให้มีภาพมาสวดญาถาสาัพพีไม่คนละเรื่องกันไม่ต้องมีน้ำพอทำปุ๊บก็กอุทิศได้เลยการสวดของผ้านี้เป็นการสอนเป็นการบอกเล่าให้ฟังว่าบุญที่คุณทำนี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับผู้ที่ร่วงับไปแล้วได้แล้วบุญอีกส่วนหนึ่งที่คุณทำนอกจากอุทิศแล้วยังมีผลกับตัวคุณเองด้วยจะทำให้คุณมีอายุวันณัสุขะพละมีความเจริญในอายุวันณะสุขะพละด้วยที่พระส่วนนี้ไม่ได้ให้พรพระเล่าให้ฟังว่าการทำบุญของคุณนี้มีผลอย่างไรบ้าง มีผลสองอย่างอย่างแรกก็คือคุณสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ตายไปแล้วได้ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็รับได้ถ้าเขาไม่รอรับก็ไม่มีใครรับมันก็กลับมาหาเราแต่บุญที่เราอุทิศไปนี้ไม่ได้ทั้งไม่ได้เป็นบุญที่เราทำทั้งหมดในวันนี้บุญที่อุทิศนี้มันเป็นบุญเหมือนเหมือนภาษีเราจ่ายภาษีไปส่วนใหญ่ยังยังอยู่กับเราอยู่ เพราะเราไม่สามารถอุทิศไปได้หมดบุญอุทิศนี้เป็นเป็นส่วนย่อยของบุญที่เราทำเพราะคนที่เขารับเขารับได้เท่านั้นเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานเนี่ยเราถูกกัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราให้ขอทานทั้งทั้งหมดหรือเปล่าเราก็ให้แค่พอสำหรับฐานะของขอทานใช่ไชอย่างนั้นเน่เวลาเราทำบุญก็เหมือนเราถูกกัตเตอรี่เราก็เราก็ไม่ได้ให้เขาไปหมดเราก็ให้แบ่งไป เหมืนญาโยมถูกกัตตรีก็มาใส่บาทก็ไม่ได้ใส่ให้ทั้งหมดใช่ไหมใส่แนั้นก็แบบเดียวกันบุญุทิสเป็นแบบนั้นเป็นบุญที่เราแบ่งไปส่วนย่อยแบ่งไปให้กับผู้ร่วงรับซึ่งพอเพียงกับความต้องการของเขาเหมือนกับให้อาหารเขาอยู่ไปวันวันหนึ่งเขายะยจนก่า จนกว่ากรรมเขาจะหมดแล้วเขาก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะไปหากินใหม่ต่อหากินของเขาเองอย่างถ้าเขาเป็นเปรตแล้วเรา จ, จะต้องทําบุญทุกวันทุกวันส่งไปให้เขาทุกวันทุกวันเหมือนกับเราใส่บาตรให้พระทุกวั น, นเอย่างชาวบ้านเขาก็ใส่บาตรทุกวันแล้วเขาก็อุทิศบุญให้พ่อให้แม่ผู้ที่ร่วงนับไปแล้วแต่ถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะได้มีบุญรับไปทุกวันจนกว่าเขาจะหมดหมดกรรมแล้วเขาก็จะไปไปเกิดต่อไป กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือวิธีวิธีบุญนะไม่ต้องให้พระสวดอนุญ า, าตยมมาทมําบุญปั๊บจะกวดน้ำรอให้พระสวดให้บางทีมาทีละคนมาไม่ได้พร้อมๆกันเนี่ยพระสวดเหนื่อยเลยผมไม่ไหวหรอกเวลาบิณฑบาตแลว้วพระอาจารย์หลายครั้งที่เขาจะไม่ได้เข้าใจแล้วจะบอกว่าทําไมไม่ให้พรไม่ให้พรคือเพราะพระที่ไม่รู้ไปทําตัวอย่างที่ไม่ดีให้เขา ก็เลยที่ว่าพระต้องให้พรเพรอสายบาปแล้วต้องให้พรเนี่ยเราสายเบญจบาปเราเนีวันนั้นยังต่ําวันหนึ่งต้องน้อยสองร้อยขึ้นไปถ้าให้พรทุกคนก็ตายก่อนจะกลับสมมติม่รู้เที่ยงเที่ยงหรืออย่างไม่รู้อพรมันเกิดขึ้นแล้วพรนี้เกิดจากการกระทำของเราเวลาพระสวดให้พรนี้เป็นเล่าให้เราฟังว่าบุญผลบุญที่เราทําวันนี้ได้อะไรบ้าง ได้พรทั้งสี่ประการคือจะริยด้วยอายุวันะสุขะพละอันนี้คือพรที่เราได้ทันทีแล้วเพียงแต่ว่ามันได้นิดๆหน่อยๆเหมือนกับที่เราเอาเงินไปใส่กระปุกวันละเหรียญวันละบาท2บาทเนี่ยมันก็ได้แค่บาทสองบาทแต่ถ้าทำไปทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวเต็มกระปุกอ่ยเมื่อวานนี้คนออามาให้มันก็เป็นเงินใส่กระปุกว่าบาทแล้ว ได้ส <c oughs> องพันหกร้อบาทส <c oughs> องพันหกร้อยบาทเขาอาจจะใส่เวลาสิบาทยี่สิบา ท, 20, บาทมีเศษเหรียญก็ใส่เข้าไป <c oughs> แล้ว พ, <c oughs> พอพอกระปุกเต็มก็ได้เป็นเงินก้อนขึ <c oughs> น้นมาสําหรับคนบางคนถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็มีเงินก็จะใช้หมดเห็นอะไรชอบก็ซื้อ <c oughs> อยากจะทําอะไรก็ทําพอจะเวลาจะมาวัดก็อาจจะไม่มีเงินมาทําบุญหรือทําได้น้อยเนี่ยท่านบางทีตอนตอนร้องไหว้พระนะคะโอกาส ตัวนู้นเองก็ทำจะซือบาทเล็กๆค่ะวางบางทีตรงห่วค้าของเราแล้วก็จะห่อนวันละห้าบาทสิปาย่างเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะนํามาถวายใช่คใช่ถูกต้องเท่ากับว่าเราได้ทําทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเราเคยทําในทุกวันแล้วมันเวลาขาดมันจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรถ้านานๆทำทีมันจะมันจะไม่อยากจะทําเวลาจะทําทีไร สองจิตสองใจเอาไปเที่ยวดีหรือเอาไปทำบุญดีเพราะเงินก้อนใหญ่แต่ท่านทำดีละห้าบาทสิบาทนี่เงินก้อนนั้นมันทำง่ายหายก็ไปเรื่อยๆแต่ระวังพอมันเต็มแล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แล้วแล้วคนทั่วไปจะรู้ได้ไงครับพอาจารย์ว่า สิ่งที่เราทำนั้นอ่ะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่เอาอะไรมาวัดความรู้สึกที่ใจเราเนี่ยถ้าเราสุขมากก็เป็นบุญใหญ่คนสองคนเนี่ยทําทําบุญเงินไม่เท่ากันบุญไม่เท่านคนที่ทําเงินใช้จะ ใ, ใช้เงินทําบุญน้อยกว่าอาจจะได้บุญมากกว่าคนที่ใช้เงินทําบุญมากกว่าเพราะอะไรมันมันอยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เราทำเข้าใจไหมสมมติว่าเรามีแสนหนึ่งเราทำหบื่นหนึ่ง อยสเนี่ยอยีกคนหนึ่งเขามีสองเมื่นแล้วก็รรรรรรรรทำหมื่นหนึ่งทาเท่ากันความรู้สึกของคนที่เสียเงินหนึ่งม่จากการที่เขามีอยู่แสนนึ่งนี้มันไม่เท่ากับคนที่มีสองหมื่นแล้วเสียไปหมื่นหนึ่งเาก็เสียครึ่งหนึ่งใช่ไหมคนที่มีแสนนึงเสียแค่ร้อยละสิความรู้สึกว่าที่ต้องสูญเสียเงินไปนีมนม่มันไม่มันไม่มันไม่มากเหมือนกับคนที่มีสองหมืน แล้วเสียไปหมื่นหนึ่งเสียไปครึ่งหนึ่งี่ความรู้สึกสองสองคนทำํทำทําทําบุญเงินเท่ากันแต่ความรู้สึกอิ่มใจไม่เท่ากันะคนที่เสียครึ่งหนึ่งนี่มันมีความอิ่มใจมากกว่าคนที่เสียแค่ร้อยละสิบเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยถ้าทำหมื่นหนึ่งกับทำสองหมืนเนี่ยทำสองหมืนมันต้องรู้สึกดีกว่าทำหมื่นหนึ่งใช่ไหม มันก็ต้องเข้าใจเวลาพูดเปรียบเทียบให้ฟังนี่ต้องมันเป็นสองกรณีถ้าเปรียบเทียบกับคนสองคนนี่ต้องดูสัดส่วนของเงินที่เขาทำไปถ้าคนหนึ่งทำไปร้0ยละสิบอคนหนึ่งทำไปร้อยละห้าสิบคนที่ทำร้อยละห้าสิบมันก็ต้องรู้สึกได้บุญมากกว่ามีความสุขมากกว่ากับคนที่ทำร้อยละร้อยละสิบในทางถ้าเป็นเรื่องของคนคนเดียวกันทำห้าสิบ ทำร้อยละสิบกับทำร้อยละห้าสิบร้อยห้าสิบมันก็ต้องมีความสุขมากกว่าเพราะมันเสียไปมากกว่ามันเสียสละมากกว่าฉะนั้นคนบางคนไม่เข้าใจจะหาว่าเรายุให้คนทำบุญเยอะๆต้องใช้เงินเยอะๆถึงจะได้บุญเยอะๆถ้าในตัวคนเดียวกันใ น, นมันใช่ถ้าคุณทำสิบบาทกับคุณทำร้อยบาทนี่ความรู้สึกมันเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนอะ่ะคุณเสียสิบบาทกับคุณเสียร้อยบาทเนี่ย อารมณ์รู้สึกมันต่างกันเวลาคุณเสียร้อยบาทคุณรู้สึกภูมิใจมากกว่าตอนที่คุณเสียสิบบาทเนีคือเราเอาการปริมาณของเงินที่เราเสียสละไปนี้เพื่อทำลายความตนีความหวงเงินทองที่เราไม่อยู่ถ้าเราทำมากความตนีก็จะถูกทำลายมากเมื่อตัวตัวตนีถูกทำลายตัวความสุขก็จะเกิดขึ้นมาตัวตนีมันทำให้เราไม่มีความสุขกัน หัวเงินหัวทองกันมันไม่มีความสุขพอเรายอมเสียสละไปปั๊บเนี่มันเกิดความสุขขึ้นมาทันทีนี่ก็คือเรื่องของบุญที่มีระดับต่างกันก็อย่างที่ท่านเฒ่าให้ฟังทำบุญสิบบาทก็อาจจะได้ความสุขระดับโรงแรมหนึ่งดาวนี่ทำบุญพันบาทก็จะได้ความสุขระดับโรงแรมห้าดาวนี่เพราะมันจ่ายไม่เท่ากันใช่ไห ก็เหมือนเราไปโรงแรมโรงแรมหนึ่งดาวแล้วก็จ่ายค่าห้องแค่ร้อยเดียวห้าดาวก็จ่ายต้องห้าพันอย่างเงี้ยมันก็ราคามันต่างกันบริการมันก็เลยต่างกันแต่แต่ยังไงในแง่ของวัตถุทานคนที่ทํามากกว่าก็ต้องได้รับกับคืนมามากกว่าพร้อมดอกเบี้ยแบบที่พระอาจาย์บอกใช่ชาติน้ากรลับอันนี้ตอันชาติน้ากลับมาเกิดเนี้ยคนที่ทำเหมือนหนึงก็จะได้แค่เหมือนหนึ่งบวกดอกเบี้ยอะ คนที่ทำสองหมื่นก็จะได้สองหมืนบวกดอกเบีย้ยกลับมาก็าจะได้ผลนับไม่เท่ากันจะเพียงแค่ว่าความสุขจะไม่เหมือนกันที่ที่ตัวเองจะมีความสุขในชีวิตประจาําวันแบบไม่มีทุกข์หรืออะไรมากน้อยอยู่ที่อยู่ที่สัสดส่วนว่าทามากน้อยขนาดไหนแต่ยังไงเหมือนกับคนบางคนทําบุญเยอะแต่ไม่มีความสุขใช่ไหมครับเหมือนเกิดมาแล้วรวยมากแต่ไม่มีความสุขอะไรเงี <c oughs> ้ยก็แสดงว่าเขาอะทาบุญเยอะก็จริงแต่ว่าเขา เขาอย่างที่อาจารย์บอกว่าทําสัำในตัดส่วนที่น้อยกว่ามีมีมรม้านทําแค่หมื่นเป็อะไรครับใชแ่แล้วใจเขามีมีสิ่งอื่นที่จะมาสร้างความทุกข์ให้ด้วยนอกจากการทําบุญหรือไม่ทําบุญมันยังมีการรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลมันก็มีผลกระทบต่อความรู้สึกของจิตใจของเราหรือการภาวนาหรือไม่ภาวนามันก็มีผลกระทบต่อความ ความรู้สึกสุขทุกข์ในใจของเราดัางนั้นมันการทำบุญมันจึมีสามระดับเนี่ระดับทานระดับศีลระดับภาวนาเราจะมีความสุขทางด้านทำบุญแต่ทางด้านศีลเราอาจจะไม่สุขก็ได้เรายังทำบาปอยู่ดังนันเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปต้องทำต้องทาบุญทั้งสามระดับให้ได้แล้ว ใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วความทุกข์จะน้อยลงไปละหมดไปในที่สุดได้แต่มันก็ต้องทําจากง่ายขึ้นไปหายากการทําบุญทําทานนี่มันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลก็ง่ายกว่าการมานั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็ง่ายกว่าการดุจความอยากด้วยปัญญาแต่ถ้าผลที่ได้ก็ต่างกัน บุญที่ได้จากการทำทานก็ความสุขที่ได้จากการทำทานก็สู้ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ได้อันนี้สงฆ์ก็ต่างกันทาบุญทำทานแต่ถ้าไม่รักษาศีลตายไปก็ยังต้องไปอาบายอยู่น ะ, ะเพียงแต่ว่าถ้าไปเกิดเป็นหมาก็เป็นหมาหน้ารัก <c oughs> พอได้ทำบุญทำทานถ้าไม่ทำบุญทำทานก็อาจจะไปเกิดเป็นหมาขี้เลื่อน ก็ยังไงเดี๋ยวเมื่อเช้ า, า, า, า, ชานี้มีคนใส่บาตรมีหมาน่ารักสาตัวใส่ใส่ใส่รถเข็นเลยใส่อยู่ในรอดเข็นเลยเดีพาะอันนี้พรุ่งนี้ชายก่อนเคยทําบุญแต่มันไม่รักษาศีลมันเลยต้องมาเกิดเป็นหมาแต่เป็นหมาที่น่ารักมีคนเอามาเลี้ยงดูอันนี้ส่งของบุญเงี้ยไม่อดยาขาดแคลนคนที่ทําบุญแล้วตายไปไปเกิดเป็นหมาก็จะมีคนมาเลี้ยงดู ไม่มาเป็นหมหาจรจัดนี่ถ้าไม่ทำบุญแล้วทำแต่บาปเนี่ยมาเกิดก็เป็นหมหาวัดนี่ความความคิดของคนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าทำบุญกับพระทำบุญกับวัดเนี่ยจะบุญเยอะกว่าทุกสิ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคิดอีกทางหนึ่งคือว่าถ้าเรายึดเอาความสุขเปไปหลับสมมติเราไปกับวัดเนี่ย เนหมื่นหนึ่งที่เราทําไปเนี่ยวัดนี้รวยอยู่แล้วมาทําไปน่ะมันรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรเราควรจะเลือกไปทปําจุดที่เราทําแล้วเรารู้สึกดีที่สุดแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดใช่กว่าวัดใช่ไหมครับเห็นว่าเราจะมีปัญญาดูว่าประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าบางทีเราไม่เห็นประโยชน์สูงสุดความจริงมันอยู่ที่วัดอาจต้องอยู่ที่วัดที่มีพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันพระอนาคามีพระอรหันต พระผ้าเหล่านี้จะทําประโยชน์ให้กับโลกได้มากเนี่ยมาสั่งสอนพวกเราให้เราเข้า อ, อกเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นพระธรรมดาสอนไม่ได้หรอกก็สอนก็เ ข, <ม>เขาก็สอนแบบมั่วๆไปคนฟังก็ไม่แน่ใจคนสอนก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นพระสวดาบาลขึ้นไปนี้ท่านแน่ใจท่านรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดท่านรู้เรื่องบุญบาปอย่างแน่นอนเวลาท่านสอนท่านไม่สอนแบบลังเลสงสัย พอคนฟังได้ฟังแบบด้วยความมั่นใจมันก็เกิดความเชื่อขึ้นมาประกอบกับเหตุผลที่ยกขึ้นมาให้เปรียบเทียบให้เห็นให้ฟังฟังแล้วมันก็เข้าใจเนี่ยฉะนั้นทําบุญกับวัดที่มีพระอาหารหันเนี่ยจะได้บุญมากได้ประโยชน์มากคือบุญที่เราได้ก็เท่ากันไม่ว่าเราจะทํากับใครคือความสุขใจนี่เท่ากันแต่ประโยชน์ของคนที่เราไปทําด้วยนี่เขามีความสามารถต่างกันนะเขาจึงบอกว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้า ทำบุญกับพระธรรมดาได้ร้อยหนึ่งทำบุญกับพระโสดาบันนี่ได้พันหนึ่งพระสกิิยาคามีได้มื่นหนึ่งพระอรหันต์ได้แสนหนึ่งพระพุทธเจ้านี่ได้ล้านหนึ่งเพราะว่าความสามารถของพระแต่ละระดับนี่ต่างกันในการสั่งสอนในการเอาธรรมะมาแจกจ่ายให้กับพวกเรานยไปทำบุญกับพระพุทธเจ้านี่พูดคำเดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะองค์ุลิมาเน่ใช่ไหม เจพระพุทธเจ้าจะข้าพวพระเจ้าพระเจ้าพูดคำสองคากลายเป็นผ้าอะหันไปเลยแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่ า, าวัดไหนมี ว, ร า, ร, วาราละหันใช่ไหมก็ต้องเหมือนกับเพชรเนี่ยก็ต้องศึกษาดูไงเราจะซื้อเพชรเราก็ต้องทันไงเราก็ต้องไปหาร้านที่เรามีความเชื่อว่าร้านนี้ขายเพชรจริงใช่ไหมผ้าละหันก็เหมือนก็ไปดูนี่มาประวัติพระ้าจารย์นัันเขาก็เขียนไว้แล้วเนี่ยว่าเราไม่ศึกษากันเอง อ่นหนังสือประวัติพระอาจารย์มา่นแล้วเราจะได้ยินชื่อเสียงของครูบาอาจารย์อีกหลายลูกลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นแต่ละองค์เนี่ยท่านก็เป็นพระอาลายกันเนทะ่านั้นเพราะามีการพิสูจน์แล้วเวลาตายไปกระดูกกลายเป็นพระธาตุเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้เราจะได้รู้ว่าอพระไหนเป็นพระอาลาัยพระไหนไม่เป็นอารายก็เหมือนกับเวลาที่ คนไปเรียนหนังสือเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์ทำงานเขาเราถามว่าจบมาจากที่ไหนจบจากจุฬาหรือจบจากสถาบันอะไรก็ไม่รู้เนี่ย้าจะ เ, าเลือกใครก่อนนะเขาต้องเอาจุฬาก่อนแนละ้ใช่ไหมเพราะว่ามาตรฐานเขาดีอันนี้ก็เหมือนกันมาจากวัดไหนอะอวัดที่ไม่มีใครรู้จักเขาก็สงสัยแล้วเอามาจากวัดหลวงตามหาบุญเเขาก็เริ่มศรัทธาแล้วเพียงแต่ได้ได้ยินชื่อว่ า, วามาจากวัด น, นี้ เพาแต่ลว่าเขาก็มีมาตรฐานในการสั่งสอนไม่เหมือนกันแล้วพระที่ไปอยู่นั้นก็มีความประพฤติปฏิบัติที่เมื่อมาเปรียบเทียบกับพระวัดอื่นแล้วมันก็ไม่เหมือนกันก็มีการดูได้มีการศึกษาได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาเนี่ยค้นคว้าไปหาหนังสือธรรมะอ่านไปไปวัดนูน้นวัดนี้แล้วก็ถามคนนั้นถามคนนี้ไปเหมือนจะซื้อเพชรเนี่ยใช่ไหมเราไม่ใช่อยู่จู่ๆโดนเข้าไปที่ไหนแล้วก็ซื้อเพชรเลยใช่ไหม เราก็ต้องมีความมั่นใจว่าร้านนี้มันขายของจริงอ่าของปลอมหรือเดี๋ยวนี้มันนั่งกันได้นะมันโกบเกินกันได้เยอะแล้วก็ตอนนันก็ต้องเหมือนกันพระก็เหมือนกันก็กบเกินกันได้เอพระจริงพระแท้พระปลอมมันก็มันทีก็ไม่รู้เหมือนกันเอาที่พระองคนะเอาที่พระญี่ปุ่นนะที่เขาึ้ไปอย่างนั้นก็กลาบเียอะนะ แต่ท่านศึกท่านก็ไม่ได้ไปทาบาปนะท่าน่าไม่ได้อยู่แล้วก็ถูกจับศึกเหมืนตักคนลอย่างพวกที่อยู่แล้วถูกจับศึกเหนั้นจับเข้าคุกเห็นไมอาแล้วพระที่บรรลุแล้วไม่สามารถที่จะศึกได้แล้วใช่รือแล้วแต่ขั้นไหนศึกได้ห่ได้ถ้าโสดาบันเขายังมีความอยากในการมาลงนี้ อ, อ๋อไม่เสร็จแล้วถ้าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปก็ไม่เสร็จแล้วเพราะถ้าไม่มีการาอารมณ์ละถ้าอัศว์ตาบตันแล้สติกี่ยังยังได้ถ้ามีมีแม่่หยสวยๆมีเงินเยอะๆม า, มาทำมุอใสบ่บ้านเดี๋ยวก็ จ, จะสึได้แ ม, ม่ไหมคนนั้นบาป ไม่บาปไม่บาปไม่บาปเขาก็เขาเข้าก็ไม่ได้ไปทําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําบาปเขาพระศึกเองไม่มีใครทำให้พระสึกได้น้อยทำประราชิชเองก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าถ้าไม่ได้ไปทำถ้าไม่ทําไปร่วมหลับนอนตอนที่เขายังเป็นพระอยู่โยมก็ไม่บาปพระน่ะบาปเพราะพระมีสิงโยมอาจจะบาปเพราะไปทําพระพิษข้อสาเหมือนกันแต่บาปไม่เหมือนกัน เอบาบของอของพระนี่ต้องเสร็จเป็นพระศึกจากการเป็นพระไป อ, ะอันนี้เริ่มมองแก่แล้วหัวแหงั้นถ้าอยากจะแน่ใจว่าพระนี่เป็นพระอะไรก็รอให้ตายก่อ น, อนดีที่สุดถ้าตายแล้วแน่ใจว่าเ อ, อตายแล้วเป็นพระแน่ไม่สุด แต่ยัง<ด><ด>เป็นอยู่นี้<ด>อาจจะสึกได้เมื่อไหร่ก็ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่บางองค์เป็นบรรลุแล้วแต่อาจจะไม่เป็นท่าก็มีแล้วเป็นมาท่าที่มันเกิดจากอะไรคะก็จิตที่บริสุทธิ์เนี่ย<อ>มันไปซอกพ่อกล่างกายรับ<อ>ซากพ่อกระดูกเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์มันจะไม่เครียดมันไม่มีโลภโกรธหลงไม่เหมือนกับจิตที่ไม่บริสุทธิ์นี่ สังเกต ด, ดูเวลาไปทํางานเครียดๆนี้หน้าตาแก่ลงเร็วใช่มเวลาไปรับหน้าที่เป็นผู้จัดการหรือไปเป็นนายกนี่มันเรื่องเครียดเยอะนย <c oughs> ผมนี่เริ่มงอกหนังเริ่มเหียวเร็วขึ้นเลยแต่พอพ้นจากตําแหน่งมาไม่กี่ปีหายเลยหนุน <c oughs> เป็นกลับมาสดใสเหมือนเดิมเนี่ยความรู้สึกของจิตนี่มันมีผลกระทบต่อร่างกายทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแก่เร็วขึ้นตายเร็วขึ้น คนที่เครียดมากๆนี้ตายเร็วขึ้นกับคนที่ไม่เครียดเดี๋ยวเรายังบวนกับญาติโยมเนะญาติโยมอายุน้อยกับเราใส่บาตรผมขาวตั้งหัวแล้วแต่เราถาวเมื่อไหร่อยมันจะขาวสักทีมันยังไม่ยอมขาวเลยอคนเขาเลยคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่นี่ปีนี้ปีนี้เจ็ดสิบแล้วรู้เปล่าเนี่ยก็มีคแล้านโน้นคอมมับอกว่าจันยังเด็กอยู่ก็ใช่ยังเด็กอยู่เมื่อเมื่อไม่กี่ปีมาคนมาหาเรา คนคนเข้ามาหาเราแล้วเขาเจอเราเขาคิดว่าเราเป็นเนรเฝ้ากุฏิแห้งถ้าวราไม่เนรภาษ่เนรอาจารยอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ยอมแก่ถ้าทีอยากจะแก่มันก็ไม่แก่เ่ย ส่วนหนึ่งก็เพราใจมันไม่เครียดมันไม่มีอะไรต้องมากังวล ม, นะมันมีทุกอย่างก็เรียบข้าวกฟรีบ้านก็ฟรีค่าน้ำํำก็ไฟก็ฟรีมาบวชเป็นพระสบายจะตายก็ไม่ชอบกันพ <c oughs> อ, อใจนะอ่าวันนี้ได้คุยแบบสนุกสนุกสักวัน งั้นเราก็เคลียจ์กการเทศเหมือนกันนะวันนี้จะหาธรรมะอะไรมาสอนโยมเาะมันสอนแทบทุกเรื่องแทบทุกวันนี้ก็เลยอาศัยการคุยกันตั้งแต่ต้นนี้มาก็คิดว่าหมดเวลาช่วงแรกแล้วก็จะอนุโมทนาให้พรเผื่อใครอยากจะไปทําธุระต่ อ, อยะถ า, าวาริกวาฮาปุราปาริกปุเรนติสาคารัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิทังตุมหังคิปดวเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสักปะจันโทปณะรโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสภโรโควินัสตุ มาเตภาวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนศีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารโรธรมาวทานติอายุวันูสุขังทาราง ใครต้องการหนังสือเนี่ยหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นเนี่ยอยากจะรู้ว่าพาาาระอรหันต์มีอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยอ่านหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นดูแล้วจะรู้จักลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านก็มีวัานเป็นสายสายไปเลยสายหลวงปู่ฟั่นสายหลวงปูป่ขาวสายหลวงปู covari, ่เทศเนี่ยเขาก็มีลูกศิษย์ของเขาเป็นสายสายไปพวกนี้ก็เป็นรุ่นล้านเหลนของหลวงปู่มั่นเนีาะกับพระอาจารย์อย่างดีกว่าเราไม่รู้เนาะ เรารู้จักคนนี่เรารู้จักมันก็ทาให้เรามั่นใจพระอาจารย์ครับมีโยมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาก็มันจะลื้อบ้านแล้วไม้หลังใหญ่เลยไนงะแลถามว่ า, าอาจารย์ที่ไหนมีโครงการอะไรใช้ไม้บ้างหมครับเราไม่มีหรอกเราไเไม่คอยไก่อสร้างเท่าไหร่ของต่อท <c oughs> ี่ให้ต่อลยก็ได้ <c oughs> เอามาให้เราแล้วเราก็ให้ต่อไปก็ได้บอกอได้ไปไหว้พระอาจารย์ได้สร้างบ้านกัสร้างตอนนี้กําลังทําที่ปฏิบัติทําให้ผู้หญิงอยู่อใช้ได้ใช่ไหมบ้านพวกนี้ได้ครับทำไมใช้ได้แล้วคุณต่อนี้แกมีที่แล้วแกก็เลยเมตตาอนุญาตให้ใช้ที่นั้นสร้างกระต๊อบเป็นที่ปฏิบัติทําให้กับญาติโยมตอนนี้มีกี่หลังแล้วตอนนี้สิบสหลังครับสิบหลังแอ้ อยู่ในใจกลางเมืองพัทยาเลยกลางเลยครับแสมบม่สนุก ม, มากสงบสงมากีนี้ถ้าอยากจะทำบุญให้ช่วยกันสร้างวัดป่าเพราะวัดป่านี้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมอย่าไปสร้างวัดบ้านอย่าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างฐานร้แลวัตถุสวยงามสร้างแล้วมันปฏิบัติธรรมไม่ได้เราสร้างวัดป่าซื้อที่แล้วก็ปลูกป่ากันดีกว่า แล้วก็ปลูกกระตอ๊ตอบกระต๊บเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนี่เขาไม่ต้องอยู่ที่อยู่รู้หลาอะไรหรอกอา ล, ลงสาลายมันก็อยู่อย่างงี้พอใช้ทํากิจกรรมได้ก็พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอแต่เป้าหมายนี่ก็คือให้มันที่มันสงบร่มรื่นมีต้นไม้เริ่มมันร่อมรื่นเย็นสงบจริงผมยังมีคิดอยู่ครับอาจารย์ผมไม่มีที่เรายอมอ ห้าหกสิบไร่ครับแล้วก็ต้นไม้เยอะด้วยก็ตอนแรกกะว่าจะทำขึ้นาแต่ว่ามันไกลเลยมันไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่นายตอนนี้มันปลูกยางแล้วให้เขาเฝ้าไปเราไม่เราไม่ได้ไม่ได้มีอยากจะทำเลยครับทําทำมันก็มันก็มันก็ต้องมีพระไปอยู่อีกอะมันก็ต้องรู้จักพระไม่ต้องอะไรไปก็บางทีก็หายากเหมือนกัน มาบางทีมาแล้วไม่ถูกจริตเราไม่ใช่การปฏิบัติเราก็ไม่อยากได้อทามาแล้วไม่<า>ไม่ถูกสเปคไปแล้วก็มา ท, าทํไาไหมก่อนธรรมในสวนเจอมาก็ดีนะครับแต่ว่าอ่าไม่ได้ดินทานนะครับเพราะไม่ได้เอ่ยชื่อ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าบางทีท่านอท่านก็นําญาติโยมดีครับแต่ว่าบางทีมันเรื่องเงินเรื่องเงินเข้ามาด้วยผมก็เลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่วันนี้ทาง facebook เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กสูงส 4ี่ร้อยห้าสิบหกค่ะทาง YouTube 120อยี่สิบค่ะโอเคเดี๋มีถางชาติเข้ามาเ ม, ม, ม, มื่วานนี้เฮ้ยผีมาเ <laughs> <laughs> สียงผีมาหลวงพ่อครับคดีผมอยากจะมาบวชปฏิบัติธรรมก็ที่นี่เรามัน เป็นที่ที่เราไม่ได้รับบุคคลทั่วไปเพราะยังไที่ข้อมูลเขานี้มันเป็นที่อยู่ของพระแล้วก็ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านก็พอจะรับได้แต่คนแปลกหน้านี่เราก็ยังไม่เคยไปถามทางมินเขาบอกว่าพยายามมาดูครับก็ต้องลองไปคุยกับพระดูไปถามพระถ้าท่านท่านเมตตาสงเคราะห์ได้ท่านก็อาจจะรับได้ เดี๋ยวรอประมาณทักสี่มงครึ่งจะมีภาพมาฉันน้าที่นงลงน้ำปลานะลองไปคุยไปถามท่านดูก็แล้วกันนะแต่ปกติก็จะรับคนที่คุ้นเคยกันหน่อยเพราะจ ะ, จะได้รู้ว่าเราปฏิบัติกันยังไงอยู่กันอย่างไรคนที่ไม่คุ้นเคยเดี๋ยวอาจจะมาอยู่แบบคนละอย่างกันแล้วพอมาพูดมาบอกกันก็อาจจะไม่พอใจอเพราะคนบางคนอาจจะ ไม่ชอบให้คนบอกให้ทำนู่นทำนี่พอบอกก็อาจจะโกรธขึ้นมาก็ได้นั้นเวลามาอยู่ในพระ ก, ก็ต้องดูนิสัยใจคอว่าเชื่อฟังหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อฟังแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรที่ไม่ถูกพแเราไปบอกไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาจึงมักจะไม่ค่อยรับคนแปลกหน้า ท, าทันทีคนที่แต่ถ้ามาบ่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย ก็จะจะรู้ว่าที <t <t ่นี่เป็นอย่างไรอยู่กันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรงั้นก็ก็ลองไปคุยกับพระเขาดูก็แล้วถามว่าเขาอยู่กันยังไงทำกันยังไง้เรารับเรารับการอยู่การปฏิบัติของเขาได้หรือเปล่าทำแบบเขาได้หรือเปล่าจอนเบรีก็ทาเพจในเพจก็เลย ก, ก็อยากยาทีบายฟังว่ามันไม่ได้เปิดแบบแบบแบบแบบให้ทั่วไปอยู่มอบที่หนึ่งมันหนึ่งที่มันก็มีน้อยมันมีจำนวนจำกัดถ้ามาทีละหลายคนนี้ก็รับไม่ได้ตาวใหญ่ข้อข้อมเงื่อนไขข้อแรกถ้ามาก็ต้องมาคนเดียวถ้ามาสองคนนี้มันก็ถ้ามาคนเดียวมันก็จะตั้งใจมาปฏิบัติถ้ามาสองคนนี้มันยัง แทนกักกวาอยู่เผื่อเหงาเองมีเพื่อนคุยกันอยู่เห็นก็เวลามาก็มักจะวอรต้องมาคนเดียวถ้ามาคนเดียวมันก็จะกินที่เพียงที่เดียวถ้ามาสองคนมันก็กินสองที่มันก็ทำให้คนอื่นที่มาอาจจะไม่มีที่อย่างเดียวลองไปคุยกับพระก็ดูว่าประมาณสี่โมงครึ่งยังมีพระมาฉันนาปานะลองคุยก็ดูพอดีเราไม่มีเวลาที่จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟัง เดี๋ยวเราต้องลถเสียงพอดีก็ไปขนหินที่ที่เขาลืจากถนนเก่าแล้วกองทิ้งไว้ข้างถนนไม่มีใครใช้ก็เลยคิดว่าเอามาเสริมที่จอดรถข้างบนนี้อะไรขนขึ้นมาเดี๋ยวรอให้เขาดําก่อนเดี๋ยวดําเสร็จแล้วเขาก็ไปแล้วอะลองถามดูก็แล้วมีคําถามคําถามฝากถามครับ มีขันห้าขันสี่และขันหนึ่งขันคืออะไรคะคําว่าขันก็คือเหมือนกับขันน้าเนี่ยก็ขันเขานะฮ่าฮ่าฮ่าฮคือเขาเขาไม่รู้จะเรียกร่างกายว่าอะไรเขาเรียกร่างกายเป็นหนึ่งขันเวทนาความรู้สึกเป็นหนึ่งขันความรับรู้เป็นหนึ่งขันความคิดเป็นหนึ่งขัน ความจำได้เป็นหนึ่งขันเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีห้าขันด้วยกันมีองค์ประกอบห้าห้าชิ้นห้าองค์เนี่แต่และองค์เขาเรียกว่าขันขันที่หนึ่งก็คือรูปประขันคือร่างกายร่างกายนี่เป็นรูปประขันที่ทำมาจากดินน้ำนมไฟมารวมกันแล้วทำให้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อขึ้นมา อันนี้เป็นรูปประขันส่วนวิญญาณขันนี้มาจากใจใจส่งมาเกาะที่ร่างกายส่งเหมือนกับเราเอาสายสายลำโพงไปเสียบที่แจ็คเพื่อเราจะได้ฟังเสียงได้จิตจะรับรู้เสียงจากร่างกายได้ต้องมีโสตวิญญาณมีวิญญาณมาเกาะที่หูเพื่อจะได้รับเสียงส่งไปให้ใจตอนนี้ที่เราฟังได้ก็เพราะว่า มีหูมีเสียงแล้วก็มีวิญญาณทางทางเสียงรับส่งไปให้ใจใจคนที่พยักหน้าพยักหน้าเนี่ยคือใจสั่งให้ร่างกายพยักหน้าส่งสัญญาณมาบอกว่าเข้าใจเข้าใจพยักหน้านี่คือเสียงวิญญาณก็มีอยู่ห้าสายมาเสียบที่ตาหูจมูกนิ้งแล้วก็ที่กายตาก็มารับภาพหูก็รับเสียง จมูกก็รับกลิ่นลิ้นก็รับรสร่างกายก็รับความรู้สึกร้อนหนาวเย็นแข็งนุ่มอะไรต่างๆที่มาแตะร่างกายเจ็บปวดเนื้ออะไรนี่ก็ม า, เ ร, าเรียกว่าผัสสะหรือโผดทะพะนี่คือขันนี่กว็วิญญาณขันตัวที่เชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับใจเหมือนกับตัวที่เชื่อมต่อกับโยนกับคนควบคุมนี่คืออะไรคือสัญญาณวิทยุใช่ไหมคุณต่อ เวลาคุณส่งโดรนขึ้นไปนี่ ค, คุณต้องมีตัวเชื่อมต่อกันนะถึงจะสามารถควบคุมบังคับมันได้ ใ, ใจจะควบคุมบังคับร่างกายได้ก็ต้องมีวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายก่อนพอวิญญาณมาเกาะก็จะรับข้อมูลต่างๆทางตาหูจมูกนิ้นกายได้หมันก็ไอ้โดรนนี่มันก็ไปถ่ายภาพมาให้เราเห็นได้แล้วเราก็สามารถสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นสูงขึ้นต่อ ใจพอได้รับข้อมูลทางตาหูจมูกนิ้งกายก็สั่งให้ร่างกายขยับซ้ายขยับขวาเดินไปเจอกองขยับก็ให้เลี้ยวซ้ายเดินเจอเดินเจอเสาก็ให้ขยับออกองั้นเดี๋ยวก็เดินชนก็ต้องมีการรับข้อมูลทางตาหูจมูกนิ้งกายส่งไปที่ใจแล้วใจก็ใช้สังขารสั่งกลับมาสังขารขันสังขารขันก็คือความคิดปรุงแต่งคิดว่าอ่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะ แล้วไอ้ตัวตัวที่มารับรู้ว่าไอ้ที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นเสียงอะไรเสียงคนหรือเสียงหมาก็คือสัญญาความจำเพราะเสียงไม่เหมือนกันใช่ไเสียงคนก็เป็นอย่างหนึ่งเสียงหมาก็เป็นอย่างหนึ่งรูปคนก็เป็นอย่างหนึ่งรูปหมาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีสัญญาจำไม่ได้มันก็จะไม่รู้ว่าเป็นหมาหรือเป็นคนนที่เราจที่เราเลือกแยกแยะได้ว่าเป็นหมาเป็นคนเพราะเราจาได้จำว่าไอ้นี่มันเป็นหมาไอ้นี่มันเป็นคน แต่ถ้ามีโรคอัลไซเมอร์ต่อไปอาจจะไม่รู้หมารู้คนก็นได้ะพราะู mm hmm. ามองไปแล้วมันเป็นภาพเฉยๆคนที่เป็นอัลไซเมอร์นี่เขาไม่สามารถที่จะเก็บความจำไม่ได้ mm hmm. พอเห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร mm hmm. จำไม่ได้ไม่นิพานกิเลส ย, ยังมีอยู่ mm hmm. แต่หัวใจเพียง mm hmm. แ, แต่ว่ามันไม่มีความสามารถที่จะ mm hmm. จำว่าสิ่งที่เห็นนี้เป็นอะไรท mm hmm. ่านเองถูกไอตัวที่ทำหน้าที่จับ จำนี้มันไม่ทํางานดงนั้นก็นี่คือขันห้าเนี่ยขันที่หนึ่งรูปประขันก็คือร่างกายอีกสี่ขันนี่มาจากใจมามาเกาะติดอยู่ที่ใจวิญญาณขันมาเกาะติดที่ใจแล้วสัญญาสังขารขันก็คอยมามาวิเคราะห์ว่ารูปเสียงกิ่นรสที่เห็นนี่เป็นอะไรเสียงดีหรือไม่ดีเสียงดีด ส, งดสังขารก็สั่งว่าเอามาเลย ซื้อมาเลยสั่งเลยนะเสียงไม่ดีก็ไม่เอาอย่างเงี้ยจะสังขารเป็นตัวสั่งเราเวลาเห็นของดีก็เกิดเวทนาขึ้นมาเห็นของดีก็เกิดความดีใจสุขใจขึ้นมาเห็นของไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมานะี่ก็คือเวทนานี่คือขันห้าขันสี่ก็คือตอนที่เราตายไปนี้เราก็เหลือแต่เ ห, เหลือขันสี่ ขันศีไม่ตายไปกับรูปประขันไงร่างกายตายไปขันศีอยู่กับใจมันก็ใจไม่ตายขันศีนี่ก็เลยไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยสัตว์กายทิพย์ต่างๆนี่เรียกว่าขันศีใช้เวทนาสัญญาสังขารเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับนี่เราใช้ขันศีเวลาเรานอนหลับนี่ร่างกายไม่ทําอะไรแต่ใจยังฝันอยู่นตอนฝันนี่ก็อยู่ในโลกทิพย์แล้วไปไห ถ้าฝันดีก็เป็นเทวดาฝันร้ายก็เป็นเปรตเป็นอ ส, สุลลกายเป็นสัตว์นรกไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็กลับเข้ามารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่อันนี้ก็เหมือนกับตายตายชั่วคราวเวลาเรานอนหลับนี่เหมือนตายชั่วคราวพอตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาที่ร่างกายเก่าแต่ถ้าเวลาเราตายจริงนี่เราตายตาย ตายแบบถาวรตายไม่ไม่ถาวรอ่ะ ต, ตายนานกว่าตายแล้วพอพอกลับมาตื่นอีกทีก็ได้ร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายอันใหม่กลับมาก็ตื่นขึ้นมาใหม่นี่คือการไปเปลี่ยนร่าง<ม>เวลาร่างกายแก่ตายแล้วไอ้ขันสีนี่ก็จะไปฝันก่อนฝันดีฝันร้ายก็คือว่าไปรับผลบุญผลบาปพอฝันเสร็จแล้วพอถึงเวลาได้ร่างกายอันใหม่ พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาพอเลี้ยวออกมาจากท้องแม่ก็ร้องอ้แอ้ตื่นขึ้นมาแลี่จิตก็มารับดูภาพใหม่เสียงใหม่กินใหม่บ้านใหม่อาจารแล้ไอ้ธาตุรู้กับวิญญาณนี่มันตัวเดียวกันนะธาตุออกมาตับธาที่ธาตุที่ไม่ตายไอ้ตัวธารู้ก็คือใจแล้ววิญญาณ น, นี้มันมีสองชื่อไงไอ้วิญญาณที่เราเรียกว่ามาเกาะที่ร่างกายนี้เขาเรียกวิญญาณในขันในขัน แล้วตัวจิตเนี่ยตัวธาตุรู้นี่เราบางทีเราก็เรียกมันว่าวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปตัวจิตทั้งทั้งขันทั้งสีนี้รวมกันจะเรียกว่าวิญญาณดวงวิญญาณเนี่ยพระที่นิพพานนะที่นิพานะพานไม่มีกิเลสไม่มีมีวิญญาณก็มีทั้งหมดมยังมีเหมือนเดิมเพยียงแต่ไม่มีร่างกายนั้นนนัเองเอแล้วก็ไม่ไปเป็นเทพเป็นอะไรไม่ฝันอ่าไม่ฝันร้ายไม่ฝันดี จะนิ่งเฉยจะสงบแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งเพราะความความสงบความนิ่งเฉยนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงอแล้วเราไม่มีจุดสิ้นสุดเลยครับอาจารย์ไม่มีสุดเลยพวกเราเราไม่เบื่อเลยครั บ, <laughs> บอาจารย์ไม่เบื่อ <laughs> พวกพวกเราก็ไม่มีสิ้นสุด <laughs> เราก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยเราเบื่อปะ <laughs> เราก็ไม่เบื่อใช่รัมเบื <laughs> <laughs> ่ออาจารย์แล้วตัวตัวเบิขานั่นคือตัวสงบไหมครับตัวเบิดขาก็จากตอน คือจิตไม่จิตนิ่งเฉยงไงมันก็เกิดจากการที่เรามีสติคุมจิตไม่ให้มันไม่ให้มันทํางานไม่ให้มันคิดปรุงแต่งพอมันไปคิดปรุงแต่งไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดมันได้อารมณ์ก็ไม่มีว่างจากอารมณ์ <c oughs> ก็เลยไม่มีอารมณ์รักชังโกลัวหลงเกิดขึ้นแต่พอเริ่มคิดปั๊บเดี๋ยวรักนะคิดถึงเงินก็รักนะคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็เกลียดแนละชังขึ้นมาแล้ว ไม่แล้วเวลาที่ตายไปไอ้ตัวธาตุนั้นมันก็ยังยังยังติดอยู่ป้าไอ้พวกกิเลสพวกอะไรพวกติดแล้วใช่ไหมติดยังอยู่ถ้ายังมีกิเลสก็ยังอยู่ถ้าไม่มีไม่มีกิเลสแล้วเหมือนไม่มีก็ไม่มีแล้วสิแต่ยังมีวิญญาณแต่ธาตุรู้ว่าติดกันอย่างนั้นอ่ะยังเหมือนเดินทุกอย่างที่หมดไปก็คือกิเลสความโลภโกรธโง่ความอยากเท่านั้นเองยังไม่มาเกิดไงยังไม่ต้องมามีรูปประขันมีทันทันสีแต่ไม่มีรูปประขัน ข้อที่สองค่ะรูปราคะอ่ารูปราคะคืออะไรคะรูปราคะกับรูปราคะอันนี้เป็นสังยโยชน์เป็ น, เ, เ, ปนเป็นกิเลส ข, ของพระอนาคามีพระอนาคามีไม่มีการมาราคะแล้วเพราะทําลายด้วยอสุภะแต่ยังไปติดรูปรูปฌานกับรูปฌานอยู่รูปราคะก็คือความยินดี กับความสุขของรูปปัจจานรูปปัจจานนี้เป็นความสุขไงคือตั้งชานหนึ่งสองสาสี่เวลานั่งสมาธิเนี่ยพอพระพระอนาคามีนีกําจัดกามาราคะได้ไม่ไปหาความสุขจากร่างกายของคนอื่นลนะก็เลยต้องมาหาความสุขจากความสงบความสงบก็มีสองระดับระดับรูปปัจจานกับอรูปปัจจานอันนี้ก็ยังเป็นกิเลสอยู่ก็ต้องมาตะ ว่ยังอยากอาลูก ป, ประชานี่เลยชานสี่ไปแล้วใช่ไหมคะอา่าชานที่ห้าห้าถึงแปดที่เรียกว่ารูปประชานข้อสามค่ะปัญญากับความคิดเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคะปัญญาก็มาจากความคิดแต่ความคิดนี้คิดไปทางปัญญาก็ได้คิดไปทางความโง่ก็ได้คิดไปเล่นไพ่ไปดื่มเหล้าเรียกว่าคิดไปทางโง่ คิดมาทำบุญคิดมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลเนี่ยคิดมาทางปัญญาในความคิดนี้คิดไปได้สามทางคิดไปในทางบุญคิดไปในทางบาปและคิดในทางที่ไม่บุญไม่บาปเนี่ยวันวันหนึ่งนี้เราคิดสามทางบางทีเราก็คิดทำบุญตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาทเนี่ยคิดไปทำบุญแล้วแล้วเดี๋ยวเย็นก็คิดไปดื่มเหล้าแล้วไปนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นแฟไม่ใช่เป็นสามีของเรานีภรรยาของเราเนี้ ก็ไปทําบาปกแล้วคิดที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปก็คือเวลาที่เราทําอะไรให้กับร่างกายเราเนี่ยอาบน้ําอาบท่าให้มันออกกําลังกายให้มันอันนี้มัไม่เป็นบุญเป็นบาปเราก็คิดอยู่สามทางเนี่ยวันวันหนึ่งแล้วมันก็เก็บสะสมไว้เป็นเป็นแต้มคิดไปทางบุญคิดไปทางบาปแต่มันยังไม่เป็นบุญเป็นบาปต้องไปทําก่อนมันถึงจะเป็นบุญเป็นบาป แต่มันก็จะมีอิทธิพลว่าเราคิดอะไรมันมักจะทำให้เราคิดอย่างนั้นบ่อยขึ้นมากขึ้นแต่ยังไม่เป็นบุญยังไม่เป็นบาปจะเป็นบุญต่คิดทำบุญนี่ยังไม่ได้บุญก็ยังจะได้บุญก็ต้องเอาเงินไปซื้อของใส่บาตรก่อนถึงจะได้บุญคิดตำบาปจะฆ่ายุงนี่ถ้ายังไม่ฆ่ามันยังไม่บาปนต้องไปฆ่ามันก่อนถึงบาปข้อที่สี่ค่ะจิตมีลมหายใจเป็นสิ่งรู้ สติมีลมหายใจเป็นสิ่งแล้วหรือหมายความว่าอย่างไรคะไม่มีหรอกจิตไม่มีลมหายใจคือสติเขาอันนี้หมพูดถึงเวลาที่เราอยากจะสร้างสติขึ้นมาเราต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตเกาะติดอยู่ถึงจะเกิดสติขึ้นมาเช่น เ, เราเราเลิกอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ดูลมหายใจเข้าออกก็จะมีสติเพราะว่ามันจะหยุดความคิดอย่างอื่นได้ ถ้าเราดูลมอย่างเดียวเราจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ก็เกิดมีสติถ้าเราไม่ดูลมเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าไม่มีสติใจลอยคำถามจากทาง Facebook นะครับคุณกิษนะนะครับการที่เราจะแท้การปฏิบัติทั้งสติสมาธิให้แนบอยู่กับเราในทุกๆลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เพ่งจ้องหรือบังคับมีเทคนิคอย่างไรเจ้าคะ ก็ไม่ได้หรอกเพราะจิตถ้ามันถ้ามันไม่บังคับมันมันก็จะโรมันก็จะไม่มีหลักมีเกณฑ์จิตตอนนี้มันเหมือนกับเด็กอ่ะเด็กถ้าเราไม่บังคับมันมันก็ไปตามอารมณ์ของมันอยากจะทําอะไรมันก็ทําไปเราถึงต้องบังคับเด็กไงบังคับให้เรียนหนังสือบังคับให้ไปโรงเรียนบังคับให้กินข้าวบังคับให้อาบน้ําต้องบังคับทุกอย่างเพราะจิตมันไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว ถ้าเราต้องการให้จิตมันดีเราก็ต้องมาบังคับมันการฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยต้องบังคับถึงจะจิตถึงจะดีขึ้นมาได้ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมมันก็จะสเปะสปะไปตามอารมณ์แต่ถ้าฝึกแบบเคยชินเหมือนก็การนั่งสมาธินี่มันก็แบบเกิดปุ่นๆกนไปเลยต่อไปต่อไปมันก็จะเป็นธรรมชาติ <Pues S 1> ไปเหมืนอนเราถนัดสมมติอ่าวรถใช่ตอนต้นตอนต้นเก่งไหมเวลาหัดขับใหม่ๆอ่ะเพราะมันไม่เคย พอขับไปเรื่อยๆพอมันชินมันชำนาญแล้วก็เป็นธรรมชาติไปจะคุณปราณีนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์เทศเพื่อน้องใจผู้ป่วยหนักได้เตรียมตัวตายในเวลาสุดท้ายโยมอยาบันทึกไว้สำหรับเปิดฟังในทุกๆวันเพื่อเตรียมตัวตายค่ะโอ้ยมันมาสั่งไม่ได้หรอกก็ต้องงองไปค้นหาเทศที่เราพูดอยู่พูดอยู่เรื่อยเรื่องการปล่อยวางร่างกายเนี่ย ใพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นคนที่เชิดหุ่นคือร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นคนที่คนที่กลัวความตายไม่ใช่ร่างกายแคนที่กลัวความตายก็ไม่ตายแต่คนที่กลัวความตายไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายก็ต้องไม่กล้าความหลงตัวนี้ ต้องคอยสอนใจเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนสั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เรา lessly, เราไม่ได้เป็นร่างกายดันั้นเราต้องปล่อยร่างกายถ้าปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเราห้ามมันไม่ได้ถ้ายัางห้ามได้อยู่ก็ห้ามไปถ้าห้าม ถ้าเจ็บแล้วหายามารักษาได้ก็หาไปแต่ถ้ารักษาแล้วพยายามแล้วทุกอย่างแล้วยังรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าปล่อยเราจะไม่ทุกข์ไม่ทรมานถ้าเราไปอยากให้มันหายมันจะทรมานถ้าเราไปอยากให้มันไม่ตายเราจะทรมานเราต้องมาฝึกใจให้ปล่อยวิธีจะฝึกใจก็เนี่ยฝึกสติพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดอย่าไปคิดถึงเนื่องของร่างกาย แล้วใจก็จะไม่มีความอยากเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็จะไม่เดือดร้อนงั้นหันมาฝึกสติกันมากๆยิ่งกลยตายนี้พยายามฝมึกพุโทโธพุโทโธสลับกับการสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องเฉยๆต้องเป็นอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาได้เราก็ต้องมีพุโทโธพุโทโธไป ให้ทาอย่างนี้การตยายกับการหลับก็เหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตายนี่หลับหลับรับหลับเราไปไปเปลี่ยนร่างกายอใหม่พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็ได้ร่างกายใหม่เข้าระวัเหมือนกันเข้าระวังไปไปรับผลบุญผลบาไปฝันดีฝันร้ายเหมือนกันแต่ฝันยาวหน่อยฝันร้ายก็อาจจะเป็นร้อยปีพันปีฝันดีก็อาจจะเป็นร้อยปีพันปีก่อจจน 100, 000, จะได้กลับมาเกิด<ม>ได้นำร่างกายไไมาบุญกันเยอะๆพอเวลาหลังตายไป า่ฝันดีอ่านั่นแหละออแต่ไปเที่ยวนี้ไม่ได้เปไม่ได้จะไม่ได้ทําให้ไปเจอของสวยๆงามๆนะต้องทําบุญก็อาจารย์บอกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวอ่ะใช่ก็เหมือนได้ไปเที่ยวต้องต้องทําบุญไงเวลาไปเที่ยวนี่มันไม่ฝันมันจะไม่ได้ฝันดีหรอกมันจะฝันร้ายเพราะมันจะไม่ได้ไปเที่ยวมันอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยว อันนั้นเป็นบุญเก่าไงถ้าไม่ไม่ทําบุญใหม่เดี๋ยวต่อไปก็ไม่มีบุญ อ, อ่ะจากคุณนัทกานะครับตอนที่ไม่เคยทําสมาธิอยู่ปกติไม่เคยเหนื่อยแต่พอมีสมาธิแล้วไม่ได้เอาจิตไว้ที่ลมหายใจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายเวลาไปเจอคนเยอะๆจิตจะวิ่งไปที่ลมหายใจโดยอัตโนมัติแล้วรู้สึกเบาสบายเอ มื่ก่อมันก็เหนื่อยแต่มันไม่รู้ว่ามันเหนื่อยมันสู้ไงเพราะมันไม่รู้ที่พักนอจนกว่าจนจนกว่ามันจะเหนื่อยจนทั้งมันเครียดติดที่มันถึงจะรู้ว่าเหนื่อยอตามปกติมันก็พยายามอดทนสู้กับความเหนื่อยไปเพราะมันไม่รู้ที่พักก็อยู่ที่ตรงไหนพอเรามานั่งสมาธิแล้วรู้เรารู้จักที่แล้วพอเหนื่อยเราก็ไปพักดีกว่าคําถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะ นั่งสมาธิแบบจิตดูจิตพบว่ากิเลสในตัวเองมีหลายข้อแบบ่งเป็นหลายระดับตามความอยากที่จะ ก, กำจัดขอถามพระอาจารย์ว่าควรที่จะ ก, กำจัดกิเลสที่กำจัดได้ง่ายหรือว่ามุ่งเ้นกำจัดกิเลสที่อยู่ลึกกว่าก่อนคะ อ, อ๋อต้องกำจัดทั้งหมดเนะง่ายยากถ้ากำจัดได้กำจัดไปเลยเหมือนเชื้อโรคอะเชื้อโรคนี้ต้องกำจัดมันทุกชนิดเนะี่ย ถ้าไม่กำจัดมันมันก็จะมาสร้างโาครคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้กิเลส ก, ก็เหมือนกันถ้าไม่กำจัดมันมันก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้คำถามจ้าคุณศิริวัฒน์ค่ะผมอยากทราบว่าพระอาหารหันต์ที่ยังทรงคาดขันอยู่ในปัจจุบันนี้มีโอกาสที่ผมขนเล็บฟันน้ำมูดน้ำเลือดน้ำเหลืองจะสามารถแปลเป็นพระธาตุได้หรือไม่ครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่เคยไปดูไปส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจก็คือจะกระดูกนี่ แ, แน่นอนแต่อย่างอื่นนี้คนอาจจะไม่รู้เขาก็ไปว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาบางคนเอาน้ําลายของพระอาจารย์ไปแล้วก็ไปเก็บไว้พอทิ้งไว้แห้งหน่อยมันเป็นอะไรขึ้นมาแปลกๆหน่อยก็เป็นพระธาตุขึ้นมาแล้วคําถาจมจากคุณอังคณานะครับการอนุโมทนาบุญ กับผู้อื่นเราจะได้บุญด้วยเหมคะได้ได้ความดีใจได้ความสุขใจเวลาเห็ใ น, ในคนเขาทำบุญแล้วออันชื่นชมยินดีกับการทําบุญของเราถ้าเราไม่ชื่นชมยินดีเราก็จะไม่เกิดความสุขใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยทำก็ทําไปสิเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกู <c oughs> น, น, นะแต่เขาทาแล้วเราเออดีใจไปกับเขาเขาได้บุญออชื่นชมยินดีไปกับเขาเราก็จะได้บุญเอ คำถามจากคุณฮันทิฟค่ะสัตว์เดรัจฉานจะมีโอกาสเกิดเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไหมเจ้าคะเพราะเขาไม่มีโอกาสได้ทําบุญในช่วงที่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะได้เดี๋ยวพอบาปที่เขาทาหมดแล้วเขาก็กลับมาเกิดได้คําถามจากคุณสิทธ์โง่นะครับผมเคยทําอาสาคู้ภัยเห็นคนตายอยู่บ่อยๆเห็นตั้งแต่คนตายใหม่ๆไปจนถึงตายเก่ามาหลายวันจนขึ้นหยุดมีน้าเลือดน้ําหนองไหลเต็มพื้น บางครั้งก็เดินเก็บอวัยวะที่ฉีดขาดของคนตายจากิเหตุบนท้องถนนแต่พอจะนําสิ่งที่เราเห็นน้อมเข้ามาหาตัวเพื่อมาพิจารณาอสุภะมันทําไม่ได้ใจมันเฉยๆใจมันไม่สลดเรียกว่าเห็นจนชินขอความให้ตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําอุบายในการพิจารณาให้เข้าถึงอสุภะด้วยครับคือการพิจารณานี้ก็เพื่อให้เรา<ม>เตือนใจเราให้รู้ว่าอนาคตของร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร จะสลดไม่สลดไม่สำคัญอ่ะขอให้เราปล่อยวางร่างกายได้ขอให้เรายอมรับว่าร่างกายนี้ต่อไปมันจะต้องเป็นซากศพที่เราที่เราไปเก็บมาแล้วเราไม่หวั่นไหวไปกับการเป็นซากศพของมันก็ใช้ได้ถ้าเราไม่กลัวความตายเราไม่เกิดคนบางคนนี่พอคิดถึงความตายคำเดียวก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วแต่ถ้าอยู่กับศพนานๆอยู่กับบ่อยๆมันชินเพราะมันรู้ว่ามันต้องตายด้วยกันทุกคน ชิ้นแบบนี้ไม่เป็นไรชิ้นแบบนี้ดีทําให้เราไม่กลัวตายทําให้เราโปร่งได้วางได้ก็ ต, ต้องดูที่ใจแล้วว่าโปร่งได้รหรือวางได้หรือเปล่าเรากลัวตายหรือเปล่าเราพร้อมที่ให้มันตายหรือเปล่าถ้าเราพร้อมเราไม่กลัวตายเราไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความตายเราก็สบายคําถามจากคุณดาลงชนค่ะคนที่ทํางานในโรงเบียรจะบาปไหมเจ้าคะ งานที่ทํามัวหมองต่อการรักษาศีลหรือไม่เจ้าคะจะต้องทําอย่างไรเจ้าคะคือสุรายาเมานี่มันไม่เป็นบาปมันเป็นอบายามุกแต่มันเป็นสิ่งที่จะไปเกื้อกูลสนับสนุนให้คนไปทําบาปต่อคนกินเหลิมเหล้ามาแล้วมักจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เดี๋ยวก็อาจจะไปทําบาปได้เพราะั้นการที่เรามีอาชีพเหล่านี้ก็เหมือนกับการสนับสนุนให้คนไปทําบาปแล้วก็อาจจะกลับมาทําเรานั่นแหละ อาจจะไปกินเหล้าเมายาแล้วเราเดินไปเจอเขาเข้าเ ข, า, เขาหมั่นไส้เราเขาก็ดา่าเราว่าเรานั้นมันอาจจะมีผลกระทบกลับมาหาเราได้แต่ถ้าเราไม่ผลิตเบียร์ให้ผลิตเหล้าขายไม่มีคนดืม่มคนเมาเหล้าก็จะไม่มีคนที่จะมาทำร้ายเราก็จะไม่มีนั้นมันเป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้สังคมวุ่นวายเดือดร้อนกันเอาใยามุกนี่เป็นอาชีพที่ไม่ดีทั้งไม่ควรจะส่งเสริมกัน คำถามจะคุณภาวดีค่ะพ่อแม่สอนว่าการทําบุญทําทานจะทํามากหรือทําน้อยยังไงก็ได้บุญอยู่ที่ความตั้งใจแต่บางทีทําบุญกับพระสงฆ์แต่พระสงฆ์องค์นั้นกับเตนสมมุติสงฆ์จะได้บุญไหมคะได้ได้กับทุกคนมากน้อยก็อยู่ที่ทํามากทําน้อยนั่นแหละแต่พระสงฆ์ที่เราทําบุญนี้ท่านจะเอาไปทําประโยชน์อะไรนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเขาะ ถ้าเขามีความสามารถ้างเขาก็ไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากถ้าเขาไม่มีความสามารถเขาก็ไม่สามารถไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอันนี้เป็นสองส่วนส่วนที่เราทำนี่เราได้ไม่ว่าเราจะทำกับพระสงฆ์พระสมมุติหรือพระแท้พระปอมได้ทั้งนั้นเพราะเราได้เสียสละทานคือการให้การเสียสละแบ่งปันอันนี้เราได้แม้กระทั่งให้หมาให้แมวก็ได้เหมือนการความสุขใจเกิดขึ้นได้ เหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ผู้รับทานของเราไปนี่จะไปทำประโยชน์ได้มากน้อยก็อยู่ที่ความสามารถของเขาให้หมามันอย่างมากก็มันก็ก็ะดิกหางเลียเลียเราหรือคอยเฝ้าบ้านให้เราเวลาใครมาก็เห่าให้พระพระท่านก็เอาไปสั่งสอนธรรมะให้แก่คนอื่นเพราะพระก็ต้องกินข้าวเนี่ยถ้าไม่มีข้าวก็ไม่มีแรงเนี่ยถ้าไม่ได้กินข้าวอันนี้จะให้มานั่งคุยตอนนี้ก็คงไม่ไหว ดงั้นแต่ละคนที่เราไปทําบุญเขาก็จะไปทําประโยชน์ต่างกันไปตามความรู้ความสามารถของเขาไปทําบุญกับหมอหมอก็จะไปไปทำประโยชน์ในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บไปทําบุญกับครูที่โรงเรียนครูก็จะไปสั่งสอนเด็กนักเรียนอะไรทั้งนี้ดงั้นประโยชน์ของผู้รับแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันประโยชน์ผู้รับจะไปทำผู้รับจะไปทําประโยชน์นี้ไม่เหมือนกันแัง้นเราก็ต้องดูว่าเราต้องการประโยชน์ในทางไหน เราต้องการประโยชน์ทางทางศาสนาเราก็ต้องไปทํากับพระเราต้องการประโยชน์ทางโรงพยาบาลรักษาค่ายป่วยก็ต้องไปสนับสนุส น, นแพทย์ให้แพทย์มีรายได้ดีเขาจะได้มีกําลังใจที่จะทํางานถ้าอยากจะสนับสนุนการศึกษาก็ต้องไปสนับสนุนครูตามโรงเรียนต่างๆให้ครูเขามีกําลังใจคําถามจ้าคุณเบียร์นะครับนอนภาวนาพุโทโธจนหลับไปไม่ฝันอะไรเลย แล้วมาสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วพบว่าตนยังภาวนาพุทโธต่ออัตโนมัติอยากทราบว่าเป็นสภาวะอะไรครับก็เป็นสภาวะที่ว่าเริ่มเริ่มชินกับการพุทโธเริ่มติดเป็นนิสัยก็ดีเวลามีพุทธโทจิตเป็นก็คิดไม่ได้ถ้าคิดไม่ได้มันก็ฝันไม่ได้คําถามที่คุณวัดวันทิชานะครับเราฟังทำจนจิตหลับพอรู้ตัวก็ฟังอยู่คตาม สติเป็นสมาธิหรือเปล่า อ, อ๋อไม่เป็นอะถ้าหลับมันไม่เป็นสติหมดฟังแล้วบางทีสติหมวดฟังไม่รู้เรื่องละก็หลับไปคำถามคุณธนพรค่ะถ้าเราจ้างบริษัทมากําจัดปลวกเราจะได้รับกรรมใหม่คะเพราะเราป้องกันบ้านของเราค่ะก็อยู่ที่ว่าเราสั่งเขาหรือเปล่าถ้าสั่งเขาให้มาทําก็ทําเองก็ดีสั่งให้คนอื่นทําก็ดีก็บา แต่ถ้าเขาอาสามาทําเองก็ไม่บาปอ่าก็ลองโทรไปถามก็ว่าที่บ้านมีป่วยผมรู้จะทํำยังไงดีแต่ว่าผมไม่เดี๋ยวผมจะมาจัดการให้อ่ะก็ไม่ได้สั่งเนี่ยสั่งก็เปล่าก็แค่พูดเขาอาสามาเองอย่างอย่างโยมเนี่ยเราจะไม่สั่งโยมสมมติว่าโยมกุฏิเราหมดขึ้นเนี่ยเราก็เพียงแต่พูดให้ฟังว่าหมดขึ้น เราโยมรู้ว่าเราไปกวาดไล่มูดไม่ได้โยมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยทําให้เออเพราะหนูทําเป็นประจําอยู่แล้วทําบาปเป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นทําำเพื่อพระก็ไม่เป็นไรก็ไม่ในเคสนั้นถ้ามาแล้วก็ไม่ได้ตามอย่างเงี้ยก็ตามตามก็เรื่องเรื่องเรื่องของกาจึง่องเรื่งตังจ่ายตังก็ยังไม่ได้สัง <c oughs> ่ง <c oughs> ตอบแทนน้ําใจเขาไงตอบแทนน้ําใจเข า, <c oughs> ขาอเอ ไม่ไม่ตามหลักพมินัยเป็นอย่างนั้นอ๋อครับเพราะว่าแนวคิดเนี่ยมีคนเคยทักมาในแชทว่าเป็นแค่การเล่นคาไม่เล่นหรอกก็ไ ม, ไม่ได้สั่งอย่างบางทีเนี่ยผาตัดต้นไม้ไม่ได้นี่มีกิ่งไม้มันมาห้อยที่กุฏิพ้าไปทําเองไม่ได้แต่โยมทําได้ยมไม่บาปแต่จะไปสั่งให้ยมทําไม่ได้เพียงแต่บอกได้ว่ายมเนี่ยมีปัญหากิ่งไม้ขึ้นมา ถ้ายอมที่เขารู้เขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาตัดให้หรือยอมที่ถึงแม้เขาอาจจะต้องทํำบาปแต่เขาก็ัยินดีทําเพราะเขาทำอยู่เป็นประจําเขาหาปลามากินอยู่ทุกวันําเพลงจะมาช่วยกําจัดปลวกให้กับผ้าหน่อยเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ไมร้ายกาศอะไรเขาก็ยินดีทําให้แต่เราไปสั่งเขาไม่ได้ท่านไปบอกก็ไม่ได้ว่ายอมช่วยมาทําช่วยมาฆ่าปลวงนี่ให้หน่อยไม่ได้แต่บอกเขาว่ามีปัญหา เขาก็มีทางเลือกนี่เขาจะมาช่วยก็ได้เขาไม่มาช่วยก็ได้ถ้าไปบอกเขาไปสั่งเขาบางทีเขาเกรงใจเราเขาต้องมาทําด้วยความเกรงใจแต่ถ้าเราไม่ไปสั่งเขาเขาก็มีทางเลือกหลวงพ่อพูดไปแล้วเขาก็ครับผมแล้วเขาก็ไม่มาทําก็ได้เห็นไหมเพราะหลวงพ่อไม่ได้สั่งหลวงพ่อบอกว่าปลูกไปขึ้นกุฏิก็เพียงแต่เล่าให้ฟังนั่นเองแต่คุณเบลนะครับเวลานั่งสมาธิจะต้องรักษาสติให้อยู่กับพุทโธไม่ว่าจะเกิดสภาวะใดกับจิต ทำถูกต้องไหมครับถูกต้องอย่าไปสนใจอะไรทั้งสิ้นในขณะที่นั่งสมาธิเป็นกว่าจิตจะรวมแล้วสงบหนึ่งแล้วพุโทโธก็หยุดไปโดยอัตโนมัติแล้วตอนนั้นก็จะไม่มีอะไรจะว่าเหมือนลอยอยู่ในอวากาศเนี่ยแตคุณนัทธวัตรนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วพอจิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจแล้วมันเกิดวูบครับเวลาวูบมันวูบเหมือนคนง่วงจะหลับเลยครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกก็ต้องได้อย่างไรก็ต้องลุกขึ้น ต้องลูกขึ้นมาเดินหรือว่าต่อไปต้องฝึกสติให้มากขึ้นแสดงว่าสติเรามีน้อยงะเราต้องหมั่นฝึกสติตอนก่อนที่เราจะมานั่งหมันพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยดึงมันมาบริกรรมพุโทโธจะดีกว่าแล้วมันจะมีกําลังเวลานั่งมันจะไม่วุมันจะไม่ง่วงมันจะไม่หลับจากในหนุ่ยนะครับกรรมชนิดไหนที่ทําให้คนเป็นโรคทางจิตเวช ก็ไม่มีสติไงคนที่เป็นโรคจิตก็คือโรคคนที่ไม่มีสติคนบ้าเขาเรียกว่าคนเสียสติใชนะ่ไหมเนี่ยก็เพราะว่าเสียสติบางทีเสียใจมากๆแล้วไม่มีสติคุ้มคุมใจก็เป็นบ้าไปเลยงั้นต้องพยายามฝึกสติอยู่บ่อยๆจะคุณพิทักษ์นะครับในพระวินัยการทำพิทุผ้า ท, ท, ที่ใช้ครอง รวมถึงอธถบริการที่ใช้ทําเพื่ออะไรครับอันนี้เป็นเรื่องกฎของสงฆ์ซึ่งญาติโยมไม่คไม่ไจะมันจะต้องไปรู้หรอกเพราะมันเป็นเกี่ยวกับให้เรามาเป็นพระก่อนแล้วเขาก็จะบอกเองว่าพระมีมีกฎละเอียดอยู่สอง้อยยิบเจ็ดข้อละเอียดยิบเพื่อให้พระอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขไม่มีเรื่องมีราวต่อกันก็เลยต้องมีมาตรการบ้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันคำถาม คุณผู้หญิงธรรมดาค่ะพิธีกรรมที่บางวัดทำการไหว้รับดาวพฤหัสโดยมีพราหมณ์เป็นผู้นําเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นด้วยวิธีกรรมนี้ช่วยได้จริงหรือเจ้าคะอันนี้ไม่ใช่วัดพุทธแล้วะพุทธสอนแต่เรื่องกฎแห่งกรรมนั่นไหมดีช่วยอยู่ที่กากรกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าคิดดีพูดดีทดําดีชีวิตจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีชีวิตจะเลวลงไปเรื่อยๆ แสดงว่าพระน mm. 응ี่บำบวชแล้วไม่เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเรียนคําสอนของพราหม์แทนกลายเป็นศาสนาพราหมณ์ไปที่เขาบอกว่ามโนกรรมมันแรงกว่าการกระทํารือวะไม่มโนกรรมเป็นเจ้านายเป็นตัวสั่งก่อนไงใช่ต้องสั่งก่อนถึงจะมาพูดได้ทําได้ก็แรงตรงที่ว่ามันต้องคิดก่อนมันถึงจะทําได้พูดได้ถ้าไม่มีมโนกรรมใจเป็นสมาธินิ่งเฉยเฉมันจะไปทําอะไรได้ อย่างสอนให้ไม่ให้คิดไงให้หยุดความคิดเนี่ยมโนกรรมก็คือความคิดถ้าหยุดความคิดปั๊บบาก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำนะครับแต่มีความสุขมากเวลาไม่คิดเวลาจิตสงบมันมีความสุขมากความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีมโนกรรมการหยุดมโนกรรมเอาคำสุดท้ายสุดท้ายนะครับจะกคุณยูเทนนะครับ คนเป็นโรคจิตเวทสามารถทำกรรมฐานได้ไหมครับไม่ได้หล่ะขนาปกติยังดารงชีวิตตามาามรรดามาได้จะไม่ทำนะตอนหนึ่งตัวเองให้กลับมาทํากิจกรรมปกติของตัวเองให้ได้ก่อนเเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ก่อนฝึกสติไปเนี่ยโรงเรียนคนพิการโรงเรียนคนที่เขามีคนด้อยปัญญาเนี่ยเขาพ่อพญายเอาเด็กมาทํากิจกรรมมาฝึกให้เด็กมีสติขึ้นแล้วต่อไปเด็กก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะ มันก็ต้องรอให้พ่อแม่คอยเลี้ยงคอยอะไรคอยอุ้มอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยต้องมาสอนเด็กให้หัดเดินหัดวิ่งหัดทําอะไรหัดทํากิจกรรมต่างๆพอสอนไปมันก็ทําได้เพราะของพวกนี้มันฟื้นฟูได้แล้วต่อไปถ้าเป็นปกติแล้วก็ต้องมาฝึกสติแบบระดับปฏิบัติกรรมฐานอีกทีซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าองนั้นก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนเอาแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลา